ตอนนี้พ่อไม่มาเลยพ่อไม่มอมยอมไม่ยอ ม, ม, ย อ, ม, มอนุมโมทนานะพบอกไม่คยสบาคไอทำบุญต้องอนุมโมทนาอย่าไปอย่าไปขัดขวางถึงแม้ว่าเขาจะ วิเคระกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาเดินทางไปไหนมาไหนคนเรามันอยู่ที่ไหนก็ตายถั่นั้นถึงเวล า, นานมันจะตายตายตายได้บุญดีกว่าตายแบบไม่ได้บุญเพราะบุญเราไปได้เม่า ก, กังวนว่าไปนู่นก็จะตายไปนี่ก็จะตายก็เลยไม่ได้ไปทำบุญที่ไหนตตยก็ไม่ให้ประมาทก็ต้องระวัง การเดินทางไปไหนมาไหนก็ควรระมัดระวังอย่าประมาทแต่ไปได้อยากจะไปทาบุญที่ไหนไปไปอินเดียไปอยากจะไปไหนไปแล้วได้บุญเดี๋ยวก็อยู่แล้วไม่ได้บุญเพราะบุญนี่สำคัญกว่าอะไรต่างๆบุญนี่เราเวลาตายเราเอาติดตัวไปได้แต่ของเงินทองเขาของเงินทองเราไปไม่ได้ ุเป็นที่พึ่งของเราเวลาที่เราจากโลกนี้ไปและเป็นที่พึ่งในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้ด้วยเป็นที่พึ่งของใจทำให้ใจเรามีความสุขถ้าไม่ได้ทำบุญอยู่กับกองเงินกอง ân, ทองก็ไม่มีความสุขความะมดแต่กังวล ห, วงห่วงเงินห่วงทองกลัวมันจะหมดกลัวจะตายจากมันไป เลยไม่มีความสุขกับกองเงินกองทองแต่ถ้าเอาเงินไปทําบุญนี่กลับมีความสุขมากกว่ามีเงินก็เก็บไว้บ้างเก็บไว้ใช้เท่าที่จําเป็นไม่ให้เดือดร้อนส่วนที่เกินเ อ, เอาไปทําบุญดีกว่าเพราะว่ามีประโยชน์หลายอย่างตายไปก็เป็นเหมือนเงินที่เราติดตัวไปใช้ในโลกทิพย์ได้ไม่ต้องไปเป็นขอทาน ขอทานขอทานบุญก็พวกที่มารอรับส่วนบุญของผู้ที่ยังไม่ตายพวกเราที่ทำบุญตอนนี้เราก็อุทิศบุญให้กับพวกที่ตายไปแล้วพวกที่ตายที่มารอรับส่วนบุญก็คือพวกที่ไม่ได้ทำบุญนั่นเองเวลามีชีวิตอยู่ไม่ได้ทำบุญเวลาตายไปเลยไม่มีบุญไปไม่มีบุญก็เลยเป็นเหมือนขอทานไม่มีเงินก็ต้องมาขอบุญมารอรับส่วนบุญของญาติพี่น้อง พวกที่ทาบุญตายไปก็ไม่ต้องมาเรารับส่วนบุญไปไปใช้บุญไปใช้บุญไปเที่ยวนในสวรรค์เรากลับมาบุญที่เงินที่เราฝากไว้ในธนาคารบุญก็รอเราอยู่กลับมาเบิกได้กลับมาเกิดรวยกว่าเก่ามีเงินมากกว่าเก่าฉะนั้นอย่าไปเสียดายเงินทองถ้าจะทําบุญทําไปเลยแล้วให้รีบทําเสีย เพราะไม่มีใครรู้ว่าจะตายเมื่อไหร่บุ ป, ปบามันตายขึ้นมานี่ถ้าไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้ไม่ได้บุญติดตัวไปเหมือนถ้าเราไม่เตรียมตัวซื้อตั๋วเรือบินจองที่พักทำวีซ่าเกิดถึงเวลาต้องออกจากประเทศไปเช่นบ้านเมืองเกิดสงครามอยู่ไม่ได้ เราจะไปแบบลําบากต้องอพยพเดินข้ามเดินข้ามป่าข้ามเขาไปไปบ้านประเทศเพื่อนบ้านพวกมีเงินเขาก็ขึ้นเครื่องกันไปพวกที่เขาซื้อตั๋วเรือบินเขาเตรียมตัวจองที่พักจองอะไรไว้ทําวีซ่าไว้พอเห็นถ้าไม่ดีเขาก็ไปเลยขึ้นเครื่องไปสบายการทําบุญก็เหมือนกับเนี่ย ทำวีซ่าทำหนังสือเดินทางตีตั๋วเครื่องบินจองที่พักแล้วก็เอาเงินเปลี่ยนเงินจากเงินไทยไปเป็นเงินของต่างประเทศเปลี่ยนเป็นเงินดอนเงินดอนนี่ไปใช้ที่ไหนก็ไปได้การทำบุญก็แบบนี้เราไม่มีใครรู้นะว่าจะตายกันเมื่อไหร่ถึงเวลาเมื่อปุ๊บปั๊บก็ตายได้ บางทีนั่นกินข้าวกันหัวเลาะกันข้าวสำสำรักข้าวตายก็มีไม่มีใครรู้ว่าจะตายกันเมื่อไหร่บางคนก็ไหลาตายหลับไม่ตื่นอาการอะไรต่างๆก็ดีอยู่บางคนก็หัวใจวายขึ้นมาบางคนเดินข้าวถนนก็เผลอไม่ได้ดูรถโดนรถชนตาย เรงความตาย ม, มันมันรอเราอยู่ทุกแห่งทุกคนทุกเวลานาที่ถ้าเราประมาทเมื่อไหรเราเผลอเมื่อไหรตายได้เพราะฉะนนอย่าประมาทพระพุทธเจ้าบอกว่าให้รีบทําบุญก่อนที่นีเป็นคําอําลาของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะจากพวกเราไปท่านบอกให้รีบทําประโยชน์ประโยชน์ก็คือบุญนีน่แหละ เวลาเราทำบุญก็เกิดประโยชน์กับเราแล้วเกิดประโยชน์กับคนที่เขารับบุญจากเราเราเอาเงินไปบริจาคให้โรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาก็ได้รับประโยชน์เราก็ได้บุญเราไปทำบุญที่วัดวัดก็ได้ประโยชน์จากเงินของเราเราก็ได้บุญจากการที่เราทำบริจาคคนฉลาดนี้ต้องเวลาตายนี่ต้องไม่มีเงินเหลือติด เหลือทิ้งไว้เลยเอาไปทำเป็นบุญไ่หมดเอาไปได้หมดถ้าไม่ถ้าตายแล้วเงินเหลือเป็นร้อยล้านพันล้านนี้ก็เรียกตายแบบตายแบบคนโง่ตายแบบไม่ได้รับประโยชน์จากเงินทองของตนคนฉลาดบางคนเขาเลยแบ่งเงินไว้เงินที่จาเป็นจะต้องเก็บไว้ใช้ก็เก็บไว้ งินที่จําเป็นที่จะต้องให้ลูกหลานก็แบ่งไว้พอให้มันอยู่ได้ก็พอให้มันมากเดี๋ยวมันก็ไปถลุงเสียคนอีกใช้เงินเป็นจะหาเงินไม่เป็นเดี๋ยวให้เท่าไหร่ก็หมดต้องให้เขาหัดหาเงินเขาเองเราให้เป็นเพียงแต่เป็นของแถมให้เขา มีความสามารถหาเงินทองของเขาเองดีกว่าให้ความรู้ให้เขาเรียนหนังสือส่งเขาไปโรงเรียนให้เรียนจบให้เขาหางานทาเขาก็จะได้หาเงินทองเขาได้แล้วก็มีเงินให้เขาสักก้อนหนึ่งเวลาเราตายไปให้เขาอยู่สบายอย่าไปให้ทั้งหมดที่เรามีอยู่ เอาไปทําบุญดีกว่าแล้วเราก็จะได้บุญไปเราจะได้ไม่ต้องมารอส่วนบุญของผู้ที่เขามีชีวิตอยู่แบบพระเวชสันดนมีเท่าไหร่ให้หมดเลยตายไปก็ไปสวรรค์พอลงจากสวรรค์มาก็มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมา รับผลบุญที่ได้ทำไว้ตอนที่เป็นพระเวชสันดร เ, เงินเงินทองที่ทำบุญไม่หายไปไหนเวลาเรากลับมามันจะรอเราอยู่ถ้าเราทำถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่รอเราอยู่เหมือ น, นเงินที่เราไปฝากในธนาคารนะเวลาเราเวลาเราต้องการเราไปเบิกมันก็มีทั้งเงินต้นเงินดอกมากกว่าเงินที่เราเข้าไปเสีย เงินที่เราฝากในธนาคารบุญก็เหมือนกันนะกว่าเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็หลายหลายปีอาจจะหลายร้อยปีดอกเบี้ยก็มากกว่าต้นีเองกลับมาก็ร่ำรวยกับเกา่าเพราะวิชาสันดอนสู้พระเจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้เจ้าชายสิทธัตถะมีประสาทสามมือดู อันนี้เป็นเรื่องของการทําบุญที่เรามองไม่เห็นกันเราไม่รู้กันว่ามีมีผลอย่างไรเราคิดว่าทําบุญแล้วก็สูญเปล่าทําบุญแล้วก็เงินก็หมดไปก่อนที่เขาคิดอย่างนี้เขาเลยไม่ทําบุญกันเขาเอาเงินไปเที่ยวกันดีกว่าเที่ยวอย่างน้อยก็ยังสนุกแต่เที่ยวแล้วมันก็หมด แล้วก็จะไม่มีเงินทำบุญกรรมาชาติหน้าก็จะไม่มีเงินรอรออยู่กรรมก็กรรมายากจนก็เดิวเห็นพยายามทำบุญกันให้มากๆอยากจะทำเมื่อไหร่ทำไปเลยอย่าตั้งหลักตั้งท่า เดี๋ยวเกิดตายไปก่อนมันจะไม่ได้ทำแล้วต้องทำตอนที่มีชีวิตอยู่เป็นไม่ใช่เขียนเขียนพินัยกรรมไว้แล้วยกให้นนคนนั้นคนนี้อย่างนี้ก็ยังไม่ได้บุญตายไปก็ไม่ได้บุญเพราะยังไม่ได้ให้ไปให้ตอนตายตอนตายเราก็ไม่ได้ให้แนละ้วคนอื่นเขาเขาให้ ม่รู้ไปถึงเวลาจริงๆเราเขียนพี่นายกรรมก็อาจจะบอกว่าพิ่นายกรรมปลอมก็ได้ใช่ไหมบางทีไปขึ้นศาลกันก็บอกเป็นพิ่นายปลอมพิ่นายกรรมปลอมออเงินที่เราคิดว่าเราได้ทําบุญก็เลยไม่ได้ทำดงั้นถ้าให้มันแน่นอนก็ทําตอนที่เรามีชีวิตยอยู่ ถ้ารู้ว่ากำลังใกล้จะตายก็รีบทำไปเลยย ก, ยกให้เข้าไปเลยแล้วใจจะมีความสุขความสบายไ ม, ไม่กังวลด้วยถ้าไม่ได้ให้ตายไปบางทียังพาวพะภาวนากับเงินที่มีอยู่ยังมีเศรษฐีในพระสมัยพระพุทธการตายไปแล้วกลับมาเกิดเป็นหมาในบ้านของตงัวเองาะหัวเงิน เวลาหาเงินมาได้เท่าไรเอาไปฝังดินไม่บอกใครลูกก็ไม่บอกไม่อยากจะให้ใครอยากจะเก็บไว้เป็นของตนแล้วก็ไม่ทำบุญอาตายไปกับความที่ห่วงเงินห่วงทองห่วงสมบัติก็เลยกลับมาเกิดเป็นบานหมาในบ้านของตนเพื่อจะได้อยู่ใกล้สมบัติพระพุทธเจ้า ท่านเดินผ่านมาท่านเห็นหมาตัวนี้ท่านก็เห็นจิตใจว่าหมาตัวนี้เป็นเจ้าของบ้านที่ตายไปแล้วแล้วก็กลับมาเกิดในท้องหมามะพร้าตนาะจ้าก็เลยบอกลูกๆของเศรษฐีวันนี้ว่าเลี้ยงหมาตัวนี้ไว้ให้ดีนะเดี๋ยวมันจะพาไปขุดสมบัติให้อย่าปล่อยให้มันไปไหนรักเลี้ยงมันไว้ให้ดีอเดี๋ยวไม่นานมันก็ไปขุดสมบัติให้ ออมัรู้เนี่ยมันเป็นคนที่ไปฝังเองทั้งมันจะไปไปรู้ว่าไปฝังไปที่ไหนอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเรื่องที่เล่ากันมาเขีนอยากเขีนพี่นายกรรมถ้าอยากจะทําบุญก็ยกให้ใครไปเลยแล้วเราก็จะสบายใจเหมือนกัรบริจาคอาวียวะก็เหมือนกัน บริจากตอนตายมันไม่เหมือนกับบริจากตอนเป็นนะี่บริจากตอนเป็นเนี่ยมันรู้สึกมันมีความรู้สึกว่าเราได้เสียสละเราจะมีความสุขความสุขนี่ยคือบุญเช่นบริจากตาให้คนหนึ่งซักข้างนงแม่ตาบอดอยากให้แม่เห็นก็เลยแบ่งตาให้แม่สักตาห น, นึ่นงหรือตายเสียแบ่งตายให้เขาสักตายหนึง่ง ปอดเสียแบ่งปอดไปสักอันนึงให้เขาได้มีชีวิตอยู่ต่อถ้าบอยจากอย่างเงี้ยได้บุญแต่ถ้าเขียนเขียนใบสั่งไว้ว่าตายไปเอาไปบอยจากให้สปารกาชาตินี้มันไม่ได้บุญเพราะเราไม่รู้ว่าไปหรือเปล่าตอนที่เราตายมันก็ไม่ได้เป็นของเราแล้ว เราไม่สามารถหยิบไปให้คนนั้นหยิบให้คนนี้ได้สั่งให้เขาหยิบไปไม่ได้ฉนั้นก็มันต่างกันทำขณะที่มีชีวิตอยู่กับตามที่ตายไปแล้วเหมือนความรู้สึกไม่เหมือนกันตายไปแล้วเราไม่รู้ว่าเขาไปทําตามที่เราสั่งหรือเปล่าใช่ไหมแต่ถ้าทําตามที่เรามีชีวิตอยู่นี้เราเห็นผลทันตาเลยเห็นคนที่จะตายนี่ แข็งแรงกลับมาแข็งแรงเดินเหินได้ทำอะไรได้เราก็มีความสุขใจจากการที่เราได้เสียสละแบ่งปันให้กับของที่มีค่าให้กับผู้อื่นนี่คือลักษณะของการทำบุญเราก็ทำแล้วอย่าไปหวังผลตอบแทนจากผู้รับอย่าไปทวงบุญคุณ เราไม่ต้องการบุญคุณจากคนที่รับของจากเราเราต้องการช่วยเหลือเขาต้องการให้เขามีความสุขส่วนเขาจะสำนึกในบุญคุณหรือไม่อันนี้เป็นเป็นเรื่องของเขาถ้าเราไปหวังบุญคุณเวลาเราให้เขาแล้ว เ, เขากลับไม่ดีกับเราเขาด่าเราเงนี้เราก็จะเสียใจ แต่ถ้าเราไม่หวังอะไรจากเขาเราก็จะไม่เสียใจอย่างมากเราก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรต่อไปเราจะได้ไม่ต้องไปช่วยเขาถ้าเขาเป็นคนอย่างนี้คนอากาศตามอยู่คนไม่สานึกในบุญคุณของผู้อื่นช่วยไปก็เปล่าประโยชน์เขาต่อไปเขาเดือดร้อนก็จะไม่ช่วยเขาช่วยไปทำไมช่วยให้เขามาด่าเรา เวลาทำบุญเราต้องทำแบบใจบริสุทธิ์เหมือนกับปิดทองหลังพระไม่ต้องให้คนเขารู้ไม่ต้องเขียนชื่อไม่ต้องปลูกกติไม่ต้องเขียนป้ายบอกว่าเป็นของฉันฉันถวายปลูกไปแล้วก็แล้วกันไปบางคนนี่หน้าต่างก็ชื่อหนึ่งประตูก็ชื่อหนึ่งเ <c oughs> ต็มไปหมดมีชื่อเต็มไปหมด แทงน้ำก็ชื่อหนึ่งเก้าอี้ก็ชื่อหนึ่งเตียงก็ชื่อหนึ่งทำบุญยาวหน้าเอาตาทำบุญเพื่อเอาบุญอย่างที่เขาพูดว่าปิดทองหลังพระนี่ได้บุญก ว, ว่าเพราะมีความสุขใจความสุขใจที่เราได้ทำโดยที่เราไม่ต้องการอะไรเป็นผลตอบแทน นอกจากผลที่ได้จากการทำบุญทำบุญนี่มันมีผลในตัวแล้วเหมือนกับกินข้าวเนี่ยกินข้าวมันก็อิ่มแน่ๆไม่ต้องเขียนป้ายเตดไว้บอกว่าเรากินข้าว เ, าเขียนไม่เขียนมันก็อิ่มนะให้เราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วทำไปตามกำลังของเรามีมากมีน้อยเราก็ทำไปอย่าให้ตัวเราเดือดร้อน อย่าไปเดือดร้อนคนอื่นเช่นนีหน้ากระถิญเนี่ยอย่าทำบุญหน้าใหญ่ก็เลยไปบังคับคนอื่นแจกซองให้เขาช่วยมาร่วมบุญด้วยอย่างนี้ไม่ถูก mm hmm. การบอกบุญมีสองลักษณะบอกบุญแบบให้เขารู้แบบบอกบุญแบบบังคับให้เขาทำบอกบุญแบบเขารู้นี่บอกได้เช่นบอกเพื่อนฝูงว่าเดี๋ยวปีนี้จะไปทอดกระถินที่นั่นที่นี่ น, นนะแต่ไม่ต้องเอาซองไปให้เขาหรอก ถ้าก็อยากจะร่วมบุญเขาหาซองได้ซองมันจะหายากที่ไหนถ้าก็มีเงินทาบุญกับไอซองใบเดียวทำไมเ็าไม่มีเงินไปซื้อสายมาเปิดโอกาสบางคนเขาไม่มีโอกาสได้ทำบุญใหญ่เรามีโอกาสทำบุญใหญ่ก็เปิดให้คนอื่นเขาได้ร่วมด้วยด้วยการบอกบุญเขาบางคนมีเงินน้อยจะไปทอดกระถินเป็นปเจ้าภาพก็ไม่ไหว ก็ต้องรองกระถินสามวัคขีรอใครเป็นเจ้าภาพแล้วก็ไปร่วมบุญกับเขาเฉะนั้นการบอกบุญบอกได้แต่อย่าไปบอกในเชิงบังคับบอกแล้วก็แล้วกันไปบอกก็แล้วแล้วกันไปเขาจะร่วมบุญหรือไม่ร่วมบุญก็สุดแท้แต่อย่าไปบอกพี่ต้องช่วยหนูนะตังอย่างงู้นอย่างนี้นะอจะบริ จ, จาคหนึ่งล้านนะตอนนี้ได้แค่สองแสน อย่างนี้มันเป็นการบังคับกันการทําบุญไม่ควรจะบังคับใจกัน mm hmm. ควรปล่อยให้เป็นศรัทธา mm hmm. พอบางทีเขาก็เดือดร้อน mm hmm. เขาไม่มีนี่เราไปพูดในเชิงบังคับเขาเขาไม่ทํา mm hmm. เขาก็เดี๋ยวกลัวจะเสียเพื่อน mm hmm. หรืออาจจะมีบุญคุณต่อกัน mm hmm. เขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะหาว่าเป็นคนเนรคุณไป เลยทาให้เขาเดือดร้อนต้องเอาเงินที่อาจจะต้องไปใช้ในสิ่งที่จําเป็นอาจจะต้องเอาเงินไปให้ค่าเราเรียนของลูกอะไรไอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่มีเงินให้ค่าเราเรียนลูกเพราะต้องเอาเงินมาทําบุญฉะนั้นจะทําบุญจะเป็นเจ้าภาพกระถิ่นก็เพียงแต่บอกก็แล้วกันบอก คนที่รู้จักกันบอกคนที่เขาเขาเคยสั่งไว้ว่ า, าพี่ทาบุญช่วยบอกหน่อยนะอย่างนี้เราก็บอกเขาคนที่ไม่เคยสั่งไม่เคยสนใจที่จะทำบุญกับเราเราก็อย่าไปบอกเขาเดี๋ยวจะเป็นเหมือนกับการไปบังคับเขาเราคนอื่นมาร่วมเท่าไหร่บุญของเราก็ไม่ได้มากกว่าเงินที่เรา เ, เสียไปเราเราเบริจาคเท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นนะ่ะ สมมติเราบริจาคแสนหนึ่งแล้วคนอื่นมาร่วมเอกแสนหนึ่งเป็นสองแสนเราก็ได้แค่แสนเดียวของเราอีกแสนหนึ่งก็เป็นของคนอื่นเขาไปอยู่ดีเรียนทำตามกำลังของเราทำมากทำน้อยไม่สำคัญทำแล้วขอให้เราไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนทำแล้วให้เรามีความสบายใจมีความสุขใจ เพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินก็ยังมีบุญอย่างเง่นที่เราทําได้ที่มากกว่าบุญที่เราได้จากการทําทานซสิมาอยู่วันเนี้รักษาศีลแปลเนียได้บุญเยอะกว่าการไปทำเป็นเจ้าภาพกระถินอีกเห็นแต่อยู่ต้องอยู่านานๆไม่จู่แค่วันสองวันอยู่วันสองวันมันก็ได้นิดเดียวเหมือนกินข้าวตัแค่คำสองคำมันก็ยังไม่อิ่ม อยากจะกินให้มันอิ่มต้องกินไปเรื่อยๆกินไปจนมันกว่าจะอิ่มพวกถือศีลแปดนี่ก็ต้องรักษาไปจนวันตายนั่นแหละแตงจะเรียกว่าเป็นเป็นเป็นศีลจริงที่แท้จริงถ้าเป็นศีลแบบชั่วคราวนี่มันเหมือนกับเอาเสื้อผ้ามาใส่สองสมวันแล้วแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็เดินล่อนจ้อนต่อไปคนไม่มีศีลนี่ก็เหมือนกับคนไม่มีเสื้อผ้านะ ความสวยงามของคนเรานี่ไม่ดีอยู่ที่เสื้อผ้าผ่อนแต่อยู่ที่ศีคนเราจะชอบหรือจะไม่ชอบคนก็อยู่ที่เขามีศีลหรือไม่มีศีถ้าเขาเป็นคนฆ่าคนรักทรัพย์คนประพฤติผิดประเวณียยคนโกหกหลอกลวงคนเดื่มเสื้อายามเราเราจะชอบเขาไหมแต่คนที่ไม่ ไม่เดืมเฟอร์ารยาเมาไม่โกหกไม่ลักทรัพย์ไม่ไปยุ่งกับสามีภรรยาของผู้อื่นไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่เพราะนั้นแหละเป็นคนน่ารักอยู่เกียวบใครก็ไม่มีใครรังเกียจเพราะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับใครเวลาเราจะจ้างใครมาทํางานที่บ้านเราเราต้องดูว่าเขาเป็นคนมีศีลไม่มีศีลมีประวัติดีหรือไม่ดีเคยติดคุกหรือเปล่า ถ้าติดคุกก็ไม่เอาดีกว่าดื่มสุราหรือเปล่าของเหล่านี้มันเป็นบุญนะเพราะผู้ที่มีศีลจะมีความสุขนะ อ, ยอยู่อย่างสุขอย่างสบายใจเวลาทำบาปนี้ใจจะไม่สบายเวลาไปประพฤติผิดประเวณีเวลาไปโกหกหลอกลวงเวลาไปลักทรัพย์ไปช่อโก ไปค่าสัตว์ตัดชีวิตใจจะไม่สบายแล้วตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในอบายคนที่ไม่รักษาศีลห้านี่ตายไปต้องไปเกิดในอบายไม่รักษาศีลห้าไม่รักษาศีลแปดอย่างน้อยก็ต้องศีลห้าถ้ารักษาศีลห้าได้ก็ไม่ไปอบาย แล้วถ้าทำบุญด้วยก็ได้ไปสวรรค์ได้ไปเป็นเทพรักษาศีลห้าแล้วก็ทำบุญอยู่เรื่อยๆตายไปก็ได้เป็นเทพถ้าอยากไปสูงกว่าเทพอยากจะไปสวรรค์ชั้นพรหมก็ต้องถือศีลแปดถือศีลแปดแล้วก็ต้องมาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิพุทโธพุทโธไป ใจสงบใจก็ไปถึงสวรรค์ชั้นพรหมนะไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องเป็นเจ้าภาพกรถินไม่ต้องไปเป็นเจ้าภาพภาพป่าไม่ต้องไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ก็ได้ไปแค่สวรรค์ชั้นเทพแต่ดีตรงเที่วกลับมาคนที่ทําทางก็จะรวยคนที่ไม่ได้ทําทานกลับมาก็ไม่รวย กลับมาก็ต้องมาบวชมาถือศีลแปดใหม่แต่คนที่ไม่คนที่ถือศีลแปลมีความสุขมากกว่าคนที่รวยความสุขที่ได้จากการรักษาศีลแปลนี่ดีกว่าความสุขที่ไดจากการมีเงินมีทองเงินพระพุทธเจ้าจะไปบวชทำไมพระุทธเจ้าท่านก็มีทรัพย์สมบัติต้องเยอะแยะ แั่ท่านก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยววันดีขึ้นดีมันจากเราไปก็ได้หรือต่อไปเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็ไม่สามารถที่จะเเสพสมบัติเหล่านี้ได้ก็เลยไปบวช ด, ดีกว่าไปเสพสมบัติที่เสพได้ตลอดเวลาสมบัติที่เราเสพได้ตลอดเวลาให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลา ก็คือความสงบนะเรามาถึงศีลแปลดเพื่อ ย, ยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเลิกดูหนังฟังเพลงเลิกร้องนำทาเพลงเลิกหาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานได้แต่รับประทานเพื่ออยู่อย่าไปอยู่เพื่อรับประทานอย่ารับประทานเพื่อความอยากตามความอยากรับประทานวันละมือ้อสองมื้อก็พอ หลังเที่ยงวันก็ไม่ต้องรับประทานแล้วพอแล้วสำหรับร่างกายอาหารพอเพียงแล้วไม่ตายแน่นไม่อดตายจะได้เอาเวลามานั่งสมาธิกันถ้ากินอาหารเย็นเดี๋ยวก็นั่งมัวนั่งรอกินนะ yond. กินอาหารเย็นอีกพอกินอาหารเย็นเสร็จเดี๋ยวก็ง่วงองีกนั่งสมาธิก็สับประงกหลับอกีกแต่ถ้าไม่กินอาหารเย็นหลังจากเที่ยงวันไ ป, ไปกินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วพอบ่ายๆก็ไม่ง่วงแล้ว ยิ่งมันหิวยิ่งไม่ง่วงใหญ่เลยนั่งสมาธิได้สบายพุทโธพุทโธไปจิตก็สงบมีเวลานั่งได้เยอะแย ะ, ยะตั้งแต่เที่ยงไปถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มนะถ้ามาลอกินอาหารเย็นก็เหลื อ, อหรือไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็นั่งไม่ได้กินอิ่มแล้วก็หนังตาย่อนหนังท้องตึง คนที่อยากจะไปสวรรค์ชั้นพรมคนที่อยากจะมีบุญมากๆได้บุญมากๆนี่ต้องอดทนหน่อยต้องอดกลับการหาความสุขทางตาหูจมูกรินกายมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบดีกว่าแล้วถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ก็ไปปฏิบัติขั้นขั้นที่ ขั้นต่อไปก็คือไปเจริญวิปัสนาไปเจริญปัญญาไปพิจารณาให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเราในี่ความจริงมันให้ความทุกข์กับเราทั้งนั้น<ม>เพราะว่ามันไม่เที่ยง<ม>เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเรา<ม>เราได้แฟนมาเราก็คิดว่าเขาจะให้ความสุขกับเราแต่ความสุขก็ให้ตอนช่วงใหม่ๆท่านเข้าใหม่ปลามัน อ๋อไม่นานอา้าวเขาเปลี่ยนไปแล้วเคยให้ความสุขกับเรากลายเป็นให้ความทุกข์กับเราไปแล้วคอยด่าเราคอยว่าเราทุบตีเรากลายเป็นกระสอบทรายให้เขซ้อมเวลาทำอะไรที่เขาไม่ถูกใจเวลาเขาอยากให้ทำอะไรไม่ทำตามใจเขาเดี๋ยวเขาก็โกรธเราความทุกข์ทางทงร่างกายเป็นอย่างนี้ทุกอย่าง ได้มาแล้วเดียวมันก็เปลี่ยนไปเวลาได้มาใหม่ๆก็ดีไปหมดพอต่อไปมันก็เก่าพอเขาเก่าแล้วมันก็อย่างเขามีคําพูดใหม่ๆ ห, หน้าตาจุ๋มจิม๋มเก่าๆมันเป็นสนิมฮะดังนั้นอย่าไปหลงกับความสุขทางตาหูจะมูกนิ้งกายมันเป็นความสุขช่วคราวที่จะ สูญไปหมดไปแล้วก็จะมีความทุกข์มาแทนที่เวลาที่เราสูญเสียมันไปถ้าแฟนดีเวลาก็จากเราไปเ้าก็เสียใจอีกลองหอมลองให้เพราะฉั้นมันไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงมีแต่จะให้ความทุกข์เราอย่างแน่นอนอนี่คือใช้ปัญญาถ้าเรามีปัญญาเราก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไร ออเราไม่มีความอยากเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ที่เรามาเกิดใหม่เพราะเรายังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้คนนั้นคนนี้ยางไดอยากได้ลาบยศสารเรสินอยู่ยังอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกาย็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องมีร่างกายถ้าร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ ระหว่างที่ไปหาร่างกายอันใหม่รอรอรับร่างกายอันใหม่ก็ไปใช้บุญใช้กรรมก่อนถ้าไปทำบาปก็ไปไปอยู่ในบายก่อนถ้าทำบุญก็ไปอยู่ในสวรรค์ก่อนพอถึงเวลาก็ลงมารับร่างกายอันใหม่แล้วก็มาดิ้นรนเหมือนกับร่างกายอันนี้ปากกัดตีนถีกลำบากลำบนกับเรื่องธรรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เรายังต้องมาทุกกับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับการพัดพากจากกันทุกข์กับความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มีแต่สาวรพัฒทุกข์ทั้งนั้นการมาเกิดนี่คนฉลาดจึงบอกไม่เกิดดีกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยที่บวชก็เพราะว่าอยากจะไม่กลับมาเกิดไม่อยากจะมาแก่มาเจ็บมาตายก็เลยไปค้นคว้าหาว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้มาเกิด ทีสุดทั้งพว่าความอยากนี่แหละความอยากในรูปเสียงกลิ่นความอยากเป็นนุ่มอยากจะเป็นนี่ความอยากไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้มันเลยทาให้ใจเราต้องคอยไปวิ่งหนีวิ่งหาอยู่ด้วยก็เลยต้องกลับมาเกิดอยากจะหารูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องไปหาร่างกายพอตัดความอยากได้หมดก็ไม่ต้องกลับมาเกิด พระตจ้าไม่เกิดแล้วอันนี้ท่านเมนตไตตายนะการไม่มีร่างกายนี้ไม่ได้หมายว่าท่านหายไปไหนนะท่านก็ยังอยู่เพียงแต่เรามองไม่เห็นท่านเพราะใจของท่านเป็นใจที่ไม่มีรูปร่างเหมือนกับใจของพวกเราก็ไม่มีรูปร่างรูปร่างที่เราเห็นนี่ไม่ใช่ตัวเราของเรารูปร่างที่เราเห็นเป็นร่างกายเป็นของพ่อแม่ให้เรามา ใจไปรับมาแล้วก็เอาร่างกายนี้มาใช้ใจเป็นเหมือนผู้เชิดหุ่นรนะ่างกายนี้เป็นเหมือนหุ่นแต่เรามองไม่เห็นผู้เชิดหุ่นเพราะไม่มีรูปร่างมีแต่ความรู้กับความคิดเนี่คือผู้เชิดหุ่นผู้ที่กำลังรู้อยู่ว่ากำลังฟังอะไรอยู่เนี่ยเป็นใจผู้ที่กำลังคิดอยู่เนี่ยเป็นใจไม่ใช่เป็นร่างกายผู้นี้ไม่ตายไปกับร่างกาย แต่พนี้มีความอยากทาไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่แล้วก็มาทุกข์กับร่างกายเพราะว่าไม่อยากให้มันตายไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บความทุกของใจเรานี้เกิดจากความอยากของเราเองพออยากอะไรแล้วใจเราไม่สบายขึ้นมาอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็เสียใจแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีความทุก ไม่มีความทุกข์แล้วก็ไม่ต้องมีการมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่แบบไม่มีร่างกายดีกว่าอยู่แบบพระพุทธเจ้านี่คือบุญต่างๆที่เราสามารถทำกันได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเงินทองมากมายถึงจะได้บุญเยอะบุญที่ได้จากการทำทานนี่สู้บุญที่ได้จากการรักษาศีลไม่ได้รักษาศีลห้าก็สู้รักษาศีลแปไม่ได้ รักษาศีลบากรก็สู้รักษาศีลสองิบเจ็ดไม่ได้แล้บุญจากการรักษาศีลก็สู้บุญที่ได้จากการนั่งสมาธิไม่ได้ความสุขมันมากกว่ากันเราวัดบุญที่ความสุขใจความสุขใจนี้จะมากขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับของการปฏิบัติแล้บุญที่สูงสุดก็บุญที่เกิดจากการหยุดความอยากต่างๆ ถ้าไม่มีความอยากแล้วอยู่อย่างเป็นสุขเลยไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่หิวไม่อยากอะไรอิ่มตลอดเวลาที่ใจเราหิวเพราะความอยากพออยากอะไรปั้มมันหิวขึ้นมาเลยเพอหยุดอยากปั้มมันก็อิ่มขึ้นมาเลยไม่เชื่อลองดูสิยันนี้หิวข้าเราไม่กินวิธีไม่กินงั้นนึกถึงข้าวที่เวลามันออกมาจากในท้องเราเี<ม>่เห็นข้าวที่ออกมาจากในท้องเราเราก็ไม่อยากจะกินแล้ว อิ่มขึ้นมาเลยพอไม่อยากกินมันก็อิ่มขึ้นมาไม่หิวเลยสบายถือศีลแปดได้สบายเลยอันนี้ก็คือบุญต่างๆที่พรธเจ้าสอนให้พวกเรามาทำกันเราทำได้เอาทำอะไรได้ก็ทำไปอันไหนเราทำไม่ได้ก็ผ่านไป ทำในสิ่งที่เราทําได้ไม่มีเงินทําบุญไม่มีเงินเป็นเจ้าภาพกระถินก็ไม่ต้องทํามันไปรักษาศีลห้าก็ได้รักษาศีลแปก็ได้ไปนั่งสมาธิก็ได้นี่ไม่ต้องใช้ไม่ตําใช้เงินทองไปฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาก็ได้นอย่างตอนนี้มาฟังเทศฟังธรรมได้ปัญญาไปแล้วรู้แล้วว่าอะไรทําให้เรามาเกิด mm hmm. ก็คือความอยาก ถ้าไม่อยากเกิดก็ไปหยุดความอยากวิธีจะหยุดความอยากก็ต้องให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ได้เรามันเป็นทุกข์ถ้าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นยาพิษเราอยากจะเอาไหมถ้ารู้มันเป็นยาพิษถ้าเป็นระเบิดระเบิดเวลาเนี่ยเราจะเอาไหมซื้อรถมาแล้วใช้ไปวันสองวันมันระเบิดขึ้นมาตายจะเอาไหมไอ้เวนี้มีปัญหาเรื่องโทรศัพท์มือถือแล้ว ซื้อมาแล้วมันไหม้แล้วเนี่ยตอนนี้เขาสั่งงดขายแล้วนะเครื่องที่ไหม้อยู่เนี่ยถ้ารู้ว่ามันซื้อมาแล้วมันไหม้จะซื้อมาหร่าเป่าของทุกอย่างที่เราอยากได้มันเป็นเหมือนระเบิดเวลามันจะระเบิดขึ้นมาเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้มันจะให้ความทุกข์กับเราได้เสมอถ้าเห็นว่ามันเป็นระเบิดเวลาเห็นว่าเป็นยาพิษก็จะไม่มีความอยาก ถ้เห็นลาบยศสรรเสริญสุขว่าเป็นระเบิดเวลานะี้ไม่อยากได้หรอกเอามันเป็นระเบิดเวลาจริงๆเวลาจเจริญลาบก็ดีใจกันเวลาเสื่อมลาบก็อยากจะกระโดดตึกตายกันเวลาได้แฟนมาก็ดีใจกันแต่งงานโอ้โหสนุกสนานกันเวลาทะเลาะ ก, กันก็อยากจะอยากกัน ทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้มันสุขปลอมมันทุกแท้แต่เราไม่เห็นกันเราไปคิดว่าเป็นสุขแท้ทุกปลอมคิดว่าทุกไม่มีหรอกมีแต่สุขได้นี่มาแล้วจะมีแต่ความสุขแล้วก็มาร้องห่มร้องไห้ทีหลังเสีย อ, อกเสียใจทีหลังรู้งี้ไม่น่าเลยไม่มีดีกว่าแต่มันสายไปแล้ว นี่คือปัญญามีปัญญาแล้วเราจะตัดความอยากได้พอเราไม่มีความอยากเราก็อยู่เฉยๆได้สบายใจมันสงบใจมีความสุขไม่มีอะไรกินเงินอยู่ได้ร่างกายตายก็ไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บไขยได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนต่อให้รวยยังไงเดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องเจ็บเดี๋ยวก็ต้องตายแล้วเงินทอง มีมากเ ท, ท, ท่าไหร่ก็มาดับความทุกข์ใจไม่ได้แต่ปัญญานี่ดับความทุกข์ใจได้ถ้าไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่เจ็บมันไม่ทุกข์หรอกที่ทุกข์เพราะอยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันหายที่ทุกข์เพราะอยาก <hazır> ให้มันไม่ตายถ้าไม่มีความอยากให้มันไม่ตายเราไม่ทุกข์หรอกมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป เมือแฟนน่ยแฟนจะอยู่ก็ปล่อยใครเขาอยู่ไปก็จะไปก็ปล่อยเขาไปเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ว่าเขาจะอยู่หรือเขาจะไปแต่ถ้าเราอยากให้เขาไปแล้วเขาอยู่เราก็ทุกข์ถ้าเราอยากให้เขาไม่ไปอยากเขาอยู่เวลาเขาไปเราก็ทุกข์เนี่คือความอยากเกิดจากความทุกข์เกิดจากความอยากของเราเองถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ก็หยุดความอยากปล่อยทุกอย่างมันเป็นไปตามเรื่องของเขา อยาไปยุ่งกับเขาแล้วชอไปยุ่งกับเขาเองชอไปยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้แล้วก็ไปทุกข์กับเขาไปทุกข์กับลูกอยากให้ลูกดีอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอ <C> ลูกไม่ดีก็ทุกข์กับลูก <C> อยากให้สามีดีพอสามีไม่ดีดดก็ทุกข์อีกอยากให้ร่างกายเราดีพอไม่ดีดก็ทุกข <C> ์อีกอยากไปอยากเราจะไม่ทุกข์ แล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เพราะเป็นอย่างนี้จะไปให้ก็เป็นอย่างนั้นได้ไงเหมือนก็ก็เป็นส้มจะไปเปลี่ยนให้ก็เป็นกล้วยได้ไงส้มก็ต้องเป็นส้มกล้วยก็ต้องเป็นกล้วยคนเรานี่เป็นเหมือนผลไม้นะบางคนก็เป็นเหมือนกล้วยบางคนก็เป็นเหมือนสับปะรดเพราะเป็นอะไรก็ปล่อยก็เป็นไปอย่ากปรยัดให้ก็เป็นอย่างอื่นเราชอบกินกล้วยก็เป็นสับปะรดก็ย้ายก็เป็นกล้วยขึ้นมาอย่างนี้ นี่คือบุญต่างๆนะเอาไปทำกันเลือกทำเอาทำได้มากยิ่งได้บุญมากไม่ทำก็ไม่ได้บุญก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาญาณมุท น, นาให้พรมีใครอยากจะถามอะไรนะถ า, ถามได้นะ สงสัยอะไรไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามมามีมมเรื่องพิด้กรรมนะครับมีความประสงค์ทั้งผมและภรรยาผมนะครับว่ า, ถ, าถ้ายังมีชีวิตอยู่เด็กก็ทาบุญตลอดอยู่แล้วแต่ถ้าตายไปเนี่ยสมบัติทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งเป็นสีกองออกองเนี่ยให้พ่อให้แม่ ที่เด็กสามกองเนี่ยจะเขียนเป็นชื่อวัดต่างๆนะครับแ ล, ล้วอย่างนี้จะได้บุญนะครับฮอนทาไปแล้วเคยมั้ยนะใจเขียนไปในจำจะถูกกฎหมายนะครับอแต่เราไม่รู้ว่ามันจะไปถึงหรือเปล่าเนี่เราตายไปเราไม่ยังไม่เห็นกับตาเรารอ๋อถ้าไม่ตายก็ทำํำได้แต่พอดีนะถ้าตายจะถ้าตายกระทันหันขึ้นมาก็จะให้ขายสมบัติทิ้ทุกอย่างแล้วก็อให้ถวายตามวัดต่างๆที่เราปรารถนาไว้แหะครับ อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่าเพราเรามันยังไม่ได้ให้ใช่ไหม <S <S เราให้ตอนที่เราตายมันก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วคนอื่นอาจจะมามาแย่งไปก็ได้อาจจะไปฟ้องร้องศาลนะว่าพิ่นายกรรมเขียนไม่ถูกอะไรขึ้นมาตั้งใจจะให้พวกทนายความเป็นคนล่างให้นะครับอทางที่ดีก็ให้ตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยจะเก็บมันไว้ทําไมนะนะอย่าว่า ันนี้ตายกระทันหันเค่ะก็ทาวันนี้เลยแต่จะโกรธจะตายกระทันหันก็ทาวันนี้เลยให้มันดูแลรูรอดไปเไหนไหนจะให้เขาไปล้จะเก็บไว้ทาไมอ่ะเผื่อไม่ตายนะเางว่ายังยังไม่ให้จริงเลยเผื่อเผื่อว่าเกิดเวลาถ้าต้องการเงินขาดเงินก็ยังเอามาใช้ได้ใช่ไหเอออย่างนี้ก็ยังไม่ได้ให้ฮะนีลูกก็เดี๋ยวมีคนเลี้ยงค่ะอาจารย์ อย่างนี้ก็กต้องยอมรับว่าไม่ได้ให้จริงัหมถ้าให้ก็ให้ไปเลยสิมันจะได้หมดเรื่องยัไงก็ต้องบวชเลยครับแต่ทำไว้ก็ไม่เป็นไรทำได้เพียงแต่ว่า <c oughs> มันพูดตามทำหลักบุญมันยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำแล้วเวลาเราตายไปเราก็ไม่รู้ว่าเรา สิ่งที่เราสั่งเขาไวมันเป็นไปตามที่เราสั่งหรือเปล่านนใช่เพราว่าสั่งร้องไชไวนะ้วถ้าน้องก็ทำให้หมดทุกอย่างตามที่เราประสงค์แล้วเราจะได้ผลไหมคะเราจะไม่รู้เลยไงไงว่าเขาทําตามที่เราประสงค์เขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้เกิดเข้าเงินขาดหรืออะไรขึ้นมาก็อ า, อาจจะไปเปลี่ยนพินัยกรรมใหม่ก็ได้ไปจะแม้โลกนี้กระดาษมันเขียนได้มันก็ลบได้เะ มันถึงถึงถึงว่ามันมันต้องมีความรู้สึกต้องมีการรับรู้รถ้าไม่มีการรับรู้ว่าเราให้เขาไปแล้วเนี่ยเรามันมันเรามันไม่มีความรู้สึกว่าเราได้ให้ใช่ไหมอย่างตอนนี้เอาตายออกไปให้เขาทักอนันหนึ่งเนี่ยมันจะรู้เลยว่าโอ้เราได้บอยจากตาเราจะมีความสุขใจขึ้นมาเลยที่ได้ช่วยชีวิตเขาเให้เขาได้อยู่ต่อไม่ได้ แต่เราให้เราตายแล้วก็เอาไปนี่เราไม่รู้ว่าเอาไปช่วยใครที่ไหนได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไม่ได้บุญใช่ไมครัไม่ได้บุญใน ใ, ในใจเรามันใจเราไม่มีความรู้สึกอะไรแต่ได้ประโยชน์คนที่เขารับไตของเราไปเขาก็ยังได้ประโยชน์เขาได้ต่อชีวิตเึเียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาได้หรือไม่ได้เพราะเราไม่เห็นกับตาของเรา ก็ไปบริจาคกัน้าหมดเลยก็ดีอ่ะก็ก็ทําได้แต่มันไม่ได้เป็นบุญเป็นประโยชน์บุญกับประโยชน์มันไม่เหมือนกันประโยชน์ก็คือเกิดทางร่างกายประโยชน์ทางร่างกายแต่ประโยชน์ความสุขจังจิตใจมันไม่ได้เกิดก็ไม่เป็นไรทำไปก็ดีดีกว่าไม่ทํำ แตถ้าอยากจะได้บุญจริงๆก็เอาให้ตอนที่เรามีชีวิตยอยู่เนะใครตาบอดก็แบ่งตาก็ไปทักข้างนะ <Okay. S 1> เราจะรู้เสร็กเรารู้สึกนี่คือบุญเวลาให้อะไรไปสละของที่เรารักไปนยิ่งของที่เรารักมากเท่าไหร่นีย้ยิ่งได้บุญมากเพราะเราจะได้สลดอุปทานสลดความหวงแหนที่มีอยู่ในใจเนี่ย ไอ้ตัวนี้ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์กันเวลาที่เราจะต้องจากมันไปก็ไปบวชจะได้ทำบุญได้อย่างเต็มที่เลยอือจะมีบุญหรือเปล่าคะดูยูทูบด้วยกันแต่ว่ามืดๆแล้วมองไม่ค่อยเห็นพรอาจารย์ก็ยังที่บอกว่ามันผ้าไม่สําคัญไง ที่เรามาฟังนี่เราฟังเสียงกันมากกว่าภาพมันก็เหมือนเดิมจะสองถึงสี่โมงผมทุกวันเพราะช่วงนี้มันช่วงนี้มองไม่ค่อยเห็นช่วงนี้มันช่วงหน้าฝนของทางภาคตะวันออกเลยฝนมันจะตกทุกวันงั้นใบใบมันภาษาอังกฤษเราค่ยรู้เรื่องเมื่อวานทั้งวันเลยภาษาอังกฤษเมื่อวานนี่ช่วงแรกเท่านั้นแหะ ก็พอดีมีคนเขาพูดภาษา <c oughs> อังกฤษก็ถนัดภาษาอังกฤษก็เลย <c oughs> พวกเราก็จะได้หัดเรียนภาษาอังกฤษไปในตัวฟ <c oughs> <c oughs> ังธรรมแล้วยังได้ภาษาอีกด้วยออดีเขามาไกลยนะเขามาจากแคนาดาคิดูดีเ็าอยู่ไกลขนาดไหนเขายังมากันก็เลยสอนเขาหน่อยสอนคนระับออดีเป็นเด็กด้วยเด็กเพิ่งอายุยี่สิบ เขาได้รู้จักศาสนาก็ฟังของเก่าก็ได้ของคลิปเก่าก็มีดูย้อนได้โอ้มีเยอะแยะเลยเนี่ยตั้งแต่มาถ่ายทอดเนี่ยถ้าถ่ายทอดสดก็ตั้งแต่พุทสภามาเนี่ยทุกวันถ้าจะไม่มีเว้นเลยเนี่ยพุทสภามานี้ก็หลายเดือน มันก็เหมือนกันพูดเรื่องเก่านั่นแหละวนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นก็เรื่องทำทานรักษาศีลภาวนาเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องอะไรต่างๆแล้วภาพมันจะมืดก็ไม่เป็นไรถ้ามีเสียงสมัยที่อยู่กับหลงตาเวลาหลงตาเรียกประชุมตอนกลางคืน ก็ไม่มีไฟฟ้าซาลาก็อย่างเงี้ยแล้วก็จุดเทียนสองดอกแค่นั้นละ่ละก็นั่งฟังกันเวลานั่งฟังแล้วก็นั่งหลับตาฟังกันไปไม่ได้มาเลืองตาไปดูที่หน้าตาท่านท่านบอกเวลาฟังธรรมอย่าสนใจไปหาคนแสดงใ ห, ให้มีสติอยู่กับที่ใจเราให้รับรู้เสียงที่เข้ามาสัมผัสแล้วใจจะได้สงบ <c oughs> ถ้าไปคอยดูลูกใจมันจะไม่สงบ ตามันตามันจะจิตมันจะออกไปทางตาถ้ามันออกไปข้างนอกไปที่ลูกนี่มันจะไม่สงบถ้าหลับตาแล้วก็ฟังเสียงนี่เดี๋ยวมันก็สงบคนที่นั่งสมาธิไม่เป็นบางทีเขาว่าใช้การฟังเทศเป็นวิธีทําใจให้สงบได้เวลานั่งก็ตั้งจิตมีสติอยู่กับการฟังจะเข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรให้ฟังเสียงไปเรื่อยๆ ล้วเดี๋ยวเสียงธรรมก็จะกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบบางคนขี้เกียจพูดโทรฟังไม่ต้องทําอะไรนั่งฟังเฉยๆนั่งฟังตั้งใจฟังมีเสียงเกาะไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวใจก็สงบฉันถึงบอกว่าเวลาดูถ่ายทอดสดเวลาดูคลิปนี้ถ้ามันมืดไม่เป็นไรหรอกภาพไม่สําคัญสําคัญที่เสียงขอให้มีเสียงเท่านั้น ถ้าไม่มีเสียงแล้วมีภาพก็ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรธรรมะไม่ได้อยู่ที่ภาพธรรมะอยู่ที่เสียง เ, เสียงธรรมเวลาฟังก็ต้องมีสติแล้วก็ต้องมีศีลศีลก็คือกายกบว่ า, วาจะต้องสงบกายก็ต้องนั่งอยู่เฉยเฉยไม่ทำอะไรไม่ขยับ ว่าจะก็ไม่คุยกันไม่พูดกันเพราะว่าถ้าเราขยับนู่นขยับนี่คุยกันแสดงว่าเราไม่ได้ฟังล่ะ<ม>เรามัวแต่มาขยับร่างกายมามัวแต่คุยกันพอเสียงถามเข้ามามันไม่เข้าไปในใจมันเข้าหูซ้ายออกหูขวา<ม>ฟังไม่รู้เรื่องถามดูว่าฟังเมื่อกี้ฟังอะไรรู้ปะไม่รู้หรอกถ้าคุยกันไม่มีวันรู้หรอกจะรู้แต่เรื่องที่เรากําลังคุยกันอยู่ เพาะฉะนถ้าอยากจะฟังทำเพื่อให้เกิดประโยชน์ต้องฟังด้วยศีล ส, สมาธิปัญญาศีลก็คือเนี่ยกายต้องสงบวาจาต้องสงบก็เรียกว่าศีลใจสงบก็เรียกว่าสมาธิใจไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ปัญญาก็คือคอยพิจารณาตามคอยฟังเหตุฟังผลพิจารณาตามเหตุตามผลที่แสดงไว้ก็เรียกว่าเป็นปัญญา ถ้าฟังแบบนี้แล้วก็เขาเรียกว่าฟังแบบลิ้นกับลิ้นกับแกงฟังแล้วจะรู้ว่าแกงเป็นรสชาติอะไรถ้าฟังแบบคุยกันฟังแบบทำนู่นทำนี่ก็เหมือนกับทัพพีในหม้อแกงทัาพีกับแกงมันไม่รู้ทับพีมันไม่รู้รสของแกงหรอกต่อให้ทับพีแช่อยู่ในหมอ้อนานสักเท่าไหร่ก็ไม่ไ ม, ไม่รวมแกงที่มันแช่อยู่นะั้นมันแกงอะไรแกงจืดหรือแกงเผ็ดหรือ แกงหวานไม่รู้แต่ถ้าเป็นลิ้นเนี่ยเพียงแต่หยดเดียวก็รู้ว่าเป็นรถอะไรแล้วเ mm hmm. น, นถ้าอยากจะฟังทำให้เกิดประโยชน์ต้องฟังด้วยศีลสมาธิปัญญาใครมีศีลสมาธิปัญญาถ้าฟังแล้วก็บรรลุธรรมได้สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยคนที่มีศีลมีสมาธิพอฟังปั๊บก็เกิดปัญญาเกิดปัญญาก็บรรลุธรรมได้ พวกเราไม่มีปัญญากันไม่มีสมาธิกันฟังก็อาจจะมีศีลอาจจะนั่งเฉยๆไม่พูดกันใจอาจจะเป็นริงไปคิดถึงใครกันไม่รู้อยู่คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้อยู่ฟังแล้วก็ฟังไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจก็ไม่เกิดปัญญาต้องตั้งใจฟังต้องไม่ไปคิดถึงเรื่องต่างๆ ต, ต้องคิดอยู่กับเรื่องที่กาลังฟังอยู่อย่างเดียว ถ้าคิดอยู่กับเรื่องที่ฟังอยู่แล้วก็จะเข้าใจว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เองอ๋อเช่นวันนี้บุญมันมีหลายอย่างนะไม่ต้องทําบุญอย่างเดียวไม่ต้องเป็นเจ้าภาพกรถิ่นนะรักษาศีลห้านี่ได้บุญมากกว่าเป็นเจ้าภาพกรถินอีกเป็นเจ้าข้าภาพกระถินถ้าไม่รักษาศีลตายไปก็ต้องไปอภัยอย่างนี้หนีอภัยไม่พ้นถ้าอยากจะไม่ไปอบายนี้ต้องรักษาศีลถึงแม้ไม่ได้เป็นเจ้าภาพกรถินก็ไม่เป็นปัญหา <c oughs> ฟังแล้วถ้าเกิดความเข้าใจมันก็จะเกิดปัญญาทำให้เราเออไม่หลงกับการกระทาที่มันไม่ถูกทำแล้วไม่ได้ผลอย่างวันนี้ก็ฟังเรื่องบริจา่างกายบริจาคอวัยวะต่างๆคิดว่าบริจาค ก, ก็ได้บุญมันยังไม่ได้บริจาคมันเป็นเพียงแต่ตั้งเจตนาไว้เท่านั้นเองว่าตายไปแล้วจะให้ะให้ให้ร่างกายนี้กับคนนั้นคนนี้ไป แล้วเวลาตายไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาได้หรือเปล่าเขาไปให้หรือเปล่าเราก็ยังก็ไม่ได้บุญถ้าอยากจะได้บุญต้องเห็นตอนนี้อย่างตอนนี้โยมมาของมาถวายเห็นพระรับกับมืออ่อได้แล้วเนี่ยใจก็สบายแล้วมีความสุขแล้วอ่าไม่มีใครถามอะไรจะให้ทางบ้านอ่ไม่เหรอ เด็กามาอันนี้สองของการท่าประโคบเดี่ยวนะครับผ้ามันจะได้ไม่หลุดง่ายอันนี้สองก็ถ้าไม่มีประกอบเดียวเนี่ยมันก็เดินไปเดี่ยมันก็หลุดสิโยงขอบค้ำค่ะฮะโยมขอบค้าไปถวายที่ลูกบาอาจารย์ก็ดีแหละเพราะมันไม่มีประโคบเดีวมันก็เดี๋ยวผ้าก็หลุดเดินวินทบาทไปประกอบเดียวนี่ก็เป็นหนึ่งในอัฐบริขาร พระนี่มีสมบัติอยู่แปดชิ้นมีผ้าสามผืนมีบาดหนึ่งใบมีประคตเอวหนึ่งอันมีมีดโกนหนึ่งเล่มมีที่กองน้ามีเข็นกับได้นี่คือสมบัติของจําเป็นกับของพระขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็จะลําบากขาดประคตเอวเดี๋ยวก็ผ้าหลุดถ้าไม่มีใบมีดโกนเดี๋ยวก็ไม่ได้โกนหนวดโกนผมเดี๋ยวจะกลายเป็นรูสีไปหนวดเข่า นุงรังที่กองน้ําว่าต้องตักน้ําในป่าน้ําในป่านี่มันมีตัวสัตว์ถ้ามีที่กองน้ําตักขึ้นมาก็จะไม่มีตัวสัตว์ติดขึ้นมาบ่ายก็ต้องมีไว้สําหรับเลี้ยงท้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปบินถบายผ้าตายก็มีไว้สําหรับสวมใส่ปกป้องรักษาร่างกายพระพุทธเจ้าบอกสําหรับพระนี่มีแค่แปดชิ้นนี่ก็พอแล้วมีมากก็วุ่นวายพอลุงพลังแล้วก็เป็นภาระ มันต้องกังวลต้องการต้องดูแลรักษาเห็นไหม่าตโยมมีข้าวของเต็มบ้านเลพลุ่งพลังไปหมดบางทีมากจะกระทั่งไม่อยากออกจากบ้านไม่ไหนกลัวสมบัติจะหายแทนที่จะ ม, มีความสุขกับสมบัติกับต้องมาเป็นภาระกับสมบัติซึ่งไม่มีดีกว่าเจ้าสอนแบบอยู่แบบนกไปแบบนกนกเวลามันบินไปมันไม่มี ข้าวของติดตัวไปไปมันก็ไปอย่างสบายมีสมบัติมากก็มีภาระมากมากพลุนพลังคนที่จะมีสมบัติน้อยได้ต้องเป็นคนที่มีใจที่สงบเพราะใจสงบแล้วมันจะไม่หิวมันไม่ต้องการอะไรที่ต้องมีบาทมีนี่ก็เพื่อเลี้ยงร่างกายไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเอง ร่างกายมันจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะไม่ได้พึ่งร่างกายแล้วถ้าใจสงบแล้วไม่ต้องพึ่งร่างกายใจสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งความสงบก็คือธรรมนี่แหละธรร ม, มังสานังกัชามิสมาธิธรรมปัญญาธรรมสติธรรมจะทำให้ใจสงบ ที่เราเกล่าวถึงทำมังสะนางกระชามิก็เนี่ยก็คือความสงบนี่เองตอนนี้เราไม่มีกันเวลามีปัญหาอะไรทานที่จใจสงบนิ่งโวยวายกันบนกันด่ากันว่ากันแต่ถ้าเรามีความสงบแล้วใจเราจะเฉยใครจะดีใครจะชั่วก็เรื่องของเขาใครจะเป็นใครจะตายก็ห้ามของไม่ได้ ใจวุ่นวายทำไมไปทุกข์กับเขาทํำไมใจมีความสงบแล้วจะไม่ทุกข์กับใครไม่ทุกข์กับเรื่องอะไรอยู่อย่างสุขอย่างสบายไอ้ที่ปรกรณ์เดี๋ยวนี้ใช้เวลามากไหมทำเสน้นหนึ่งเนี่ยถ้าตั้งใจทํากับประมาณวันห้าหรอคะวัน้านเนี่ยปีชั่วโมงอ่ะประมาณบ้านหนึ่งก็บเดี๋สองเส้น ทั้งเส้นได้วันแต่ว่าบนันทึกว่าทั้งสำเร็จดอกต้องมาฝั่นมาถัดอีกที่หนึ่งค่ะย่อมเลยย่อมค่ะตีแก่นขนมเ น, นี่ยประกอบเอวเาเข้มขันรัดเอวเลยทำด้วยไม้แท้ทำด้วยไ ม, ม, ม้นี่สาธุผีมือโยมเองค่ะอะชอบทํำทอดพระธวายค่ะคุ้งผัดจ า, าน <laughs> ไปเห็นของล ง, ลงปู่หมันหลวงปู่ ภูเลยชอบทานะคะออานี่เป็นของสำคัญไม่งั้นเดี๋ยวร่อนจอนนะเดี๋ยวเดินไปผ้านหนุ่ดมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านเขาถามอาว่ามาท่านหนูสงสัยอะคะ่ะคือของหนูเป็นพยาบาลจิตเวช แล้วหนูสงสัยว่าคนที่มีปัญหาทางด้านจิตอะคะ่ะเขาต้องเป็นถึงขนาดไหนเขาถึงแบบจิตหลุดได้ขนาดนั้นนะคะสติไม่มีไงเพราะสติไม่มีก็ปล่อยให้ใจคิดฟุ้งซ่านไปพอฟุ้งซ่านก็เกิดความเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมาเลยทําให้มีมีความอยากอยากจะให้หายยิ่งอยากมันก็ยิ่งเครียดใหญ่ยิ่งทุกข์ใหญ่ วิธีที่จะก้าก็คือต้องมาสร้างสติขึ้นมาเพื่อทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็จะหายเครียดหายทุกข์จะอยู่เป็นปกติได้ตอนนี้ไม่มีสติควบคุมอารมณ์ต่างๆอยากมีความอยากให้ได้อย่างนั้นได้อย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นอย่างใจอยากก็จะเสียใจจะทุกข์ใจแล้วก็จะเป็นผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปเลย พอเสียใจแล้วไม่ได้ดังใจก็จะไม่อยากจะอยู่มังอยากจะตายมังอยากจะอะไรต่างๆขึ้นมานี่เป็นผลที่เกิดจากการที่ไม่มีสติเวลาไปเจอเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนใจเรายับยั้งมันไม่ได้ใจมีความเสียใจมีความรันทดใจมีความผิดหวังอะไรต่างๆมันก็เลยทำให้คนเป็นโรคประสาทกันขึ้นมา ไม่รู้จักวิธีควบคุมใจไม่ให้สร้างความทุกข์ขึ้นให้กับตัวเองแม้แต่หมอจิตเวชยังก็เป็นหมอก็ยังเป็นได้เดี๋ยวเกิดหมอไปรับไปเจออะไรผิดหวังเข้าเดี๋ยวก็จะกลายเป็นคนไข้ขึ้นมาเองเพราะทางหมอนี่ก็รักษาทางยากันใช่ไอมไม่ได้รักษาทางใจ ก็สงสัยอะค่ะบางคนเขาก็จะเป็นซึมเช้ามาอันนี้หนูเข้าใจว่าคนที่เะ็นโรคซึมเศ้าอ่ะเขาก็จะเจออะไรหลายๆอย่างที่แบบเข้ามาค่ะแต่คนที่แบบที่เขาเป็นอยู่ที่เ้าพูดพุ่งออกมาอยู่ที่เขาก็พูดเลื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคิดอะไรของเขาอยู่ใช่ก็ไม่มีสติก็ไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรเหมือนคนมเมาเหล้าคนไม่มีสติก็เหมือนคนมเมาเหล้าคิดอะไรอยากจะพูดอะไรก็พูดออกมาอยากจะทําอะไรก็ทําไป ไม่มีสติมากั่นกองมายับยั้งความคิดของตนว่าควรจะคิดควรจะพูดหรือไม่ควรจะทําหรือไม่คนที่มีสตินี้จะมีมีการกั่นกองก่อนเฮ้ hey, เราพูดนี้ดีหรือเปล่าเราทํานี้ดีหรือปเปล่าถูกหรือเปล่าผิดหรือเปล่าตรงนี้เขาไม่มีเหมือนคนกินเหล้าเนี่ยเวลาปกติก็เป็นคนดีดีเพราะมีสติคอยกั่นกองความคิดอยู่พอกินเหล้าปั๊บสติหายไปเลย นี่อยากจะพูดอะไรก็พูดเห็นไหมว่าจะหยาบคายออกมาอะ ไ, ไรเมาแล้วเนี่ยเพราะไม่มีสติในศีลห้าพระเจ้าเลยห้ามไม่ให้ดืม่มโซราความยึงดืม่มโซราเองมันไม่ได้เป็นการทำบาปเป็นแต่ว่ามันจะทาให้จิตและทำให้เราไปทำบาปได้ง่ายพอเราไม่มีสติแล้วเราก็จะพูดจะทำอะไรโดยที่เราไม่มีการยับยัง้งชั่งตุงชั่งตวงใจไว้ก่อน ถ้มีสติอย่างตอนนี้เราก็คิดก่อนได้ไหมออยากจะนอนตรงนี้นอนไหมไม่นอนอะไรแต่ถ้าเมาแล้วรับรองนอนไหมไม่เหลียว <laughs> ใช่ไหมเวลาเมาแล้วมันไม่สนใจไม่คิดอะไรแล้วมันอยากจะทําตามความอยากของมันสติเนี่ยเป็นตัวตัวที่ทําให้คนบ้าหรือไม่บ้าก็ถึงเรื่องเสียสติ <laughs> <laughs> ไงเอ็ <laughs> คนเสียสติ ทางทางทางทา ง, ทา ง, ท, างทางการแพทย์เก็ใช้ยาช่วยยากล่อมประสาทยาอะไรเนี่ยมันก็ไปแก้ที่ปลายเหตุทำให้เขาทาให้เขาอย่างน้อยไ ม, ไม่ไม่ทุกกับเรื่องของร่างกายแต่มันก็ไม่หายละมันก็พอเดี๋ยวก็ต้องคอยกินยาอยู่เรื่อยๆพอฤทิ์ยาหมดเขาก็มีอาการไม่ดีขึ้นหมา อสอนภาษาก็เหมือนกับเหมือนกับให้เขานอนหลับไปอย่างเงี้ยไม่ให้เขารับรู้เรื่องราวต่างๆไม่ให้เขาคิไม่ให้เขาคิดมากพอถ้าไม่มีกา ร, อรสอนภาษาเดี๋ยวเขาคิดคิดมากแล้วเดี๋ยวเขากล้าละวาดถ้าจะแก้ที่ต้นเหตุก็ต้องมาสอนให้เขาหาัดเจริญสติสร้างสติขึ้นมาซึ่งมันยากเหมือนกับสอนเด็กเนี่ยเด็กมันยากมากอ่าขณะคน ผู้ใหญ่ยังสอนยากบอกให้พุโทโธพุโทโธอย่าไปคิดอะไรถ้าทำได้จะมีสติมากในีใจจะไม่มีไม่มีวันเสียสติพระพุทเจ้าถึงบอกสตินี่เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดขาดสติแล้วไม่สามารถทำอะไรที่ดีงามได้ อยากจะใบนิพพานอยากจะได้สมาธิได้ปัญญานี้ต้องมีสติถ้าไม่มีสติก็เหมือนคนเมาเหล้าเหมือนคนเสียสติคนบ้าเอาคนเหาเอาคนบ้ามานั่งรักษาศีลได้ไหมเอาคนบ้ามานั่งสมาธิได้ไมไม่ได้หรอกเขาไม่มีการกัดกรองไม่มีความยับยับย้งช่างตวงใจของเขาช่างตวงความคิดของเขาว่าตอนนี้เขากำลังคิดอะไรอยู่ มอสรุปก็คือเราไม่สามารถช่วยเขาได้เลยนอกจากพวกที่ยังพอที่จะรับฟังว่าร้ อ, องให้สอนให้เขาอุบายพี่ลองนั่งสมาธิดูเลยลองดูว่าเขานั่งได้ไหน้องให้เขานั่งท่องพุทธโธพุทธโธกัไปแต่บางทีเก็ทําไม่ได้เพราะไม่มีสติที่จะควบคุมใจเขาเดี๋ยวใจเขาอยากจะทําอะไรก็ไปละอยากจะคิดอะไรก็ไปละไม่ได้อยู่กับพุทธโธอ ขนาดพวกเรามีสติดียังควบคุมมันไม่ได้แต่ให้มันอยู่กับพุโทโธได้ห้านาทีก็พอ <Okay. S 1> เดี๋ยวมันก็แวบไปนะ uh huh. แวบไปนะเป uh ็น huh. พยายามรักษาสติไว้เจรญสติไว้อย่างน้อยก็ได้ป้องกันไม่ให้เราเป็นคนบ้าถ uh ึ huh. างแม้ยังไม่ได้ไปสวรรค์นิพพานอะไรก็อย่างน้อยก็ให้เราเป็นมนุษย์ปกติ uh huh. ไม่บ้า uh huh. มีโอกาสเนี่ยเกิดไปเจออะไรเหตุการณ์รุนแรงเสียอกเสียใจขึ้นมาบางทีสติแตกฮะเขาเรียกสติแตกไม่ยอมควบคุมความคิดรู้สึกนึกคิดนะปล่อยคิดว่าปล่อยแล้วมันจะสบายมันไม่สบายหรอกเดี๋ยวมันก็ยิ่งไปใหญ่เลยแต่บางทีมันเวลาควบคุมมันรู้สึกอึดอัดไงอิเล่นมันไม่ชอบอิเล่มันชอบทําอะไรตามใจอยากมันพอเราไปควบคุมมันด้วยสตินี่มันจะรู้สึกอึดอัด แต่ถ้าเราชนะมันถ้ามันถ้ามันยอมแพ้แล้วมันจะหายอึดอัดเวลามันอยากจะทำอะไรแล้วเราสู้กับมันนี่ไม่ให้มันทำถ้ามันยอมแพ้มันหยุดอยากปั๊บเราเบาเลยเบาอกเบาใจสบายใจแต่ถ้าเราสู้มันไม่ได้ก็ต้องไปทาตามที่มันอยากพอทำแล้วมันก็เป็นเจ้านายแล้วมันก็จะสั่งให้เราไปทำต่อเรื่อยๆทำข้างนี้ได้เดี๋ยวในข้างหน้าก็จะสั่งให้เราทำอีก เข้าใจไหมนี่จากตัวเองก่อนนั่นเหละเอาทางบ้านนัเดี๋ยวกันคำถามจากคุณดารานิตผมนั่งสมาธิแล้วนอนไม่ค่อยหลับเป็นเพราะอะไรครับผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าขอคำแนะนำครับเพราะยังไม่มีสตินั่งแบบไม่มีสติพอเวลานอนมันก็ยังคิดอยู่ มันก็เลยนอนไม่หลับถ้าจะนอนหลับนี่ถ้ามันไม่คิดเดี๋ยวเดียวมันก็หลับถ้ามีสติอยู่กับลมหายใจเดี๋ยวเดียวไม่กี่นาทีก็หลับนะคำถามจากคุณกุ๊กไก่ถ้าเรามีเงินทองจากการเป็นเจ้ามือหวยบอนแล้วนำเงินที่ได้มาทำทานสร้างโบสถ์สร้างศาลาแบบนี้เราจะได้บุญไหมครับได้เงินที่เราได้มานี่ถ้าเราไปทาบุญเราก็ได้บุญ ส่วนบาทะการหาเงินของเรามามันเป็นบาปมันก็ได้บาปด้วยแต่การที่ได้เงินมาจากอบายมุขนี้มันก็ยังไม่ถือว่าเป็นบาเปเป็นเจ้ามือหวยได้มาจากการเล่นการพ น, น, นันนีมันยังไม่ได้เป็นการทำบาปคือบาปมันต้องผิดศีลอย่างนี้เรียกว่าบาปเช่นไปลักทรัพย์ของผู้อื่นมาถึง่งนี้เรียกว่าบาปถ้าเราไปลักทรัพย์ของผู้อื่นแล้วมาทาบุญเนี่ยเราได้บุญบุญที่เรา ทัพที่เราไปทำบุญนี้เราได้แต่เราได้บาปด้วยได้บาปที่เกิดจากการรักทรัพย์แต่เอาใบาเงินที่ได้จากออาบายมุกนี้ยังไม่ถือว่าเป็นเป็นบาปแต่เป็นการหาเงินที่ไม่ดีเพราะมันเอามาจากคนที่เขาเดือดร้อนทำให้คนเขาเดือดร้อนคนที่มาเล่นการมานานเวลาเขาเสียเขาก็อาจจะต้องขายบ้านขายช่องขายที่ขายนาเพื่อมาเล่น นี้ก็จะทําให้เขาเดือดร้อนถ้าอยากจะหาเงินหาทองหาเงินแบบที่มันเป็น อ, อาชีพสุจริตไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นดีกว่าเช่นเปิดร้านเซเนี่ยขายของเนี่ยคนเสียเงินเขาก็ไม่เขาก็ได้ของไป เ, ไเขาก็ไม่เสียหายอะไรแต่คนคนเล่นการพ น, นันเขาเสียเงินไปเขาไม่ได้อะไรกลับไปเลยเวลาเขาเสียเขาก็เดือดร้อน แผนที่จะเอาเงินไปซื้ออาหารมากินก็วันนั้นก็ต้องอดค่ะอดอาหารไปใ น, นเงินที่เราไดจากการเล่นการพนันนี้เป็นเงินที่มันได้มาจากกองทุกของผู้อื่นอย่าหาเงินแบบนี้หาเงินแบบที่ทาให้ผู้อื่นเขาไม่เดือดร้อนเช่นเปิดร้านขายของเนี่ยคนที่เข้ามาซื้อเขาก็ไม่เดือดร้อนเขาซื้อของไปเขาก็ได้ของไปทำประโยชน์เราก็ได้เงิน เอาเงินนี้ไปทําบุญเราจะได้ความสุขความสบายใจมากกว่าคำ ถ, ถามจากคุณสุพรรณีรอบของการเกิดปฏิจจสมุตติบาสนั้นใช้ระยะเวลาเพียงชั่วขณะที่เกิดการผัสสะและเราเกิดอุปทานว่าตัวเราเป็นผู้ได้รับเวทานานั้นแล้วเกิดทุกข์หรือสุขหรือว่าจะต้องใช้เวลาหลายชาติถึงจะครบรอบคะ ไม่หรากมันเกิดทุกระยะทุกเวลาเนี่ยพอคิดปั๊บมันก็เกิดแล้วคิดถึงขนมมันก็เกิดแล้วคิดถึงขนมมือก็ไปจิบขนมมากินแล้วตันหาเกิดกินเสร็จก็เกิดเวทนาขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมาแล้ะเกิดความสุขก็เกิดอุปทานอยากจะกินอีกเดี๋ยวก็กินเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปหยิบมากินอีกมันที่ร่างกายมันบอพอแล้วแต่ใจมันไม่ยอมหยุดนะมันหลายรอบกินทีหลายหลายรอบ ทุกครั้งที่เราสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสนี่เรามันเป็นรอบนึ่งไปแล้วมันเร็วมากมันแบบที่เหมือนกับฟ้าแลบนี่ฟ้ารับนี่มันครบรอบนะพอคิดปั๊บหยิบขนมมากินปั๊บนี่เสร็จไปรอบหนึ่งแล้วแล้วพอคิดกินอีกก็อีกรอบหนึ่งแล้วงั้นอย่าไปสนใจรอบมันเลยสนใจที่ว่าอย่าไปทําตามความอยาก ถ้าเราหยุดความอยากเราก็จะตัดขัมวนการข อ, ของการสร้างภพสร้างชาติได้ตัวที่ทำให้เรามาสร้างภพสร้างชาติก็คือความอยากกันถ้าเราตัดตัวนี้ปั๊บมันก็จะเลิกสร้างภพสร้างชาติเลิกวียนว่ายตายเกิดคาถามจากคุณสินีอันนี้สองจากการฟังธรรมเรื่อยๆจะทำให้เรามีปัญญาในการตัดกิเลสง่ายขึ้นไหมคะ เพราะเป็นสูตรตามยะปัญญาแต่จะตัดกิเลส ต, ต้องเป็นภาวนามยะปัญญาหรือเปล่าคะและถ้าฟังบ่อยๆจิตจะสงบและเห็นด้วยกับธรรมะที่ฟังนั้นแต่ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาเองจะมีโอกาสบรรลุธรรมหรือไม่คะก็ไม่แน่ไม่มีอะไรแน่นอนฟังไปแล้วถ้าถ้าตัดความอยากได้ก็บรรลุได้อยู่แค่ตรงนั้นน่ะ ที่รับธรรมนี้แสดงมาทั้งหมดเพื่อให้เรามาตัดความอยากถ้าเราเข้าใจว่าความอยากนี้เป็นพิษเป็นภัยกับเราทุกครั้งที่มันเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเราฝืนมันได้แล้วก็เราก็ตัดกิเลสไปได้เรื่อยๆนะเชรนเราอยากจะสูบบุหรี่เราติดบุหรี่ทุกครั้งที่เราอยากจะสูบบุหรี่แล้วก็อย่าไปสูบมันพอไม่พอพอไม่สูบสักไม่กี่ครั้งเดี๋ยวความอยากมันก็หมดไปเราก็ไม่ต้องสูบบุหรี่หราก คำถามจากคุณชาโนนแต่ก่อนผมฝึกสมาธิโดยกําหนดลมหายใจพร้อมกับภาวนาพุทโธตามลมหายใจเข้าออกทําให้มีความรู้สึกอึดอัดพะวงกับคำบริกรรมว่าจับไปไม่พร้อมกับลมหายใจต่อมาผมได้เปลี่ยนมาฝึกแบบภาวนาอยู่กับพุทโธโดยไม่สนใจดูลมหายใจรู้สึกว่าจิตเบาสบายขึ้นพอภาวนาไปสักพักหนึ่งพุทโธหายไปเหลือแค่รู้เฉย ไม่มีความรู้สึกทางร่างกายแต่ได้ยินเสียงรอบด้านนิ่งไปเรื่อยสัก 2-3 ชั่วโมงก็ถอนออกจากสมาธิออกมากับเรียนถามพระอาจารย์ว่าผมทำแบบนี้ถูกต้องไหมครับอันนี้ละ่ะเป็นผลของการนั่งสมาธิจิตมันจะสงบจะเบามันมีสองแบบเบาแบบร่างกายหายไปหรือเบาแบบที่ยังรับรู้เรื่องราวต่างๆอยู่แต่ไม่ไปสนใจไม่ลาคาญกับเสียงกับเสียงกับอะไรต่างๆ ร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนทำอย่างนี้ถูกแล้วเอาพุโทโธอย่างเดียวดีกว่าหรือเอาลมอย่างเดียวดีกว่าพราะพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ใช้สองอย่างอนาปานสติก็อย่างเดียวดูลมอย่างเดียวพุทธานุสติก็พุโทโธอย่างเดียวนี่ใครไม่ทราบเขาไปลองเอาสองอย่างมาผสมกันแล้วเขาว่าดีเขาก็เลยมาสอนกันถ้าเราลองทำแล้วมันไม่ถูกกับเราเราก็อย่าไปทํา ลองเอาพุโทโธอย่างเดียวหรือลองเอาการดูลมหายใจอย่างเดียวก็ได้ตะผสมกันก็ได้ถ้าผสมกันแล้วนั่งแล้วสงบก็ได้แต่ให้มันได้ผลอย่างที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยอันนี้เขาได้ผลแล้วใจสงบนะใจนั่งได้ตั้งสองสามชั่วโมงนี่ถือว่าเก่งนะพวกเรานี่นั่งแค่ห้านาทีสิบนาทีก็นั่งไม่ไหวแล้วอึดอัดนะ ไอ้ที่ทําให้เราอึอดไม่ใช่อะไรไอ้ตัวความอยากนี่อยากจะไปทํานูน่นทํานี่มันก็เลยทำให้รู้สึกอิดอัดขึ้นมาถ้าเรามีพุโทโธอยู่เรื่อยๆมันก็จะกดความอยากได้ความอยากมันถูกกดไว้มันก็นั่งต่อไปได้อย่างสบายไม่รู้สึกป็ดอัดคาถามจากคุณท็อปอยากให้สามีเลิกเล่าแต่เขาสัญญาหลายครั้งเขาไม่ทาพระอาจารย์มีข้อคิดอย่างไรให้เลิกเล่าบ้างครับ เขาเป็นคนเขาเป็นส้มเราอยากให้เขาเป็นกล้วยทําไมเขาเป็นส้มก็ปล่อยก็เป็นส้มไปเลยมันไม่มีวันจะเป็นกล้วยได้หรอกนอกจากเขาจะเปลี่ยนตัวเขาเองเขาเปลี่ยนตัวเขาเองได้จากส้มให้มันเป็นกล้วยได้แต่เราไปอยากไม่ได้หรอกเราก็ขอร้องเขาแล้งก็จบแล้วถ้าเขาทาเขารับปากแล้วเขายังทําไม่ได้ตัวเขาเองก็อยากจะทําตามที่เราอยาก แต่เขาก็สู้ความอยากของเขาไม่ได้เั็นเราต้องทำใจแล้วนึกปองแล้วว่ามันเป็นกรรมของเรากรรมของเขากรรมของเขาก็คือเขายังต้องติดสุลาต่อไปกรรมของเราก็คือต้องมีผัวที่ติดสุลาถ้าอยากจะหมดกรรมก็ยา ก, กันซะค <c oughs> าถามจากคุณพุทธปฏิบัติตามคาสอนของหลวงพ่อมาหลายเดือนค่ะ ใช้คำเทศของหลวงพ่อแทนคำบริกรรมสามารถเข้าถึงความสงบได้บ่อยๆแบบนี้ปฏิบัติถูกและจะเรียกว่าติดเสียงเทศได้ไหมคะก็ได้มันก็ติดเนี่ถ้ามาัมนที่ก็จะทำให้เราต้องคอยฟังอยู่เรื่อยๆความจริงเราก็ควรที่จะหัดนั่งโดยที่ไม่ไม่ได้ฟังเสียงเทศบางคือฟังเทศไปแล้วจิตสงบ ก, ก็ลองดูดูลมหายใจต่อไปแทน ต่อไปเราจะได้ไม่ต้องอาศัยเสียงเทศเพราะท่านต้องอาศัยเสียงเทศแล้วก็ต้องมีเสียงเทศอยู่เรื่อยๆถ้าเราไปอยู่ที่ไหนที่ไม่มีเสียงเทศเราก็ยันั่งสมาธิไม่ได้ในเบื้องต้นถ้าเรายังนั่งไม่ได้เองก็เอาเสียงเทศไปก่อนพอเรามีสติมีกําลังพอ ille, เราก็ลองดูลมหายใจแทนเสียงเทศไปหรือลองบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วต่อไปเราจะได้ไม่ต้องอาศัยเสียงเทศ เพราะมันเสียงเท่มันเป็นของภายนอกมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดมันเป็นอนิจจังแต่การมีสติอยู่กับลมอยู่กับพุโทโธนที่มันอยู่กับเราไปตลอดเราสามารถที่จะใช้มันได้ตลอดเวลาคำถามจากคุณปัทมาขอทราบความหมายคำว่าทมอันเป็นปรมัาณค่ะทำมันเป็นปรมาณ ปรมัตต์นี่มันเป็นคู่กับธรรมที่เป็นสมมุติทขานะธรรมที่เป็นสมมุติก็คือสิ่งต่างๆที่เรามีชื่อตั้งมันขึ้นมาเนี่ยเป็นสมมุติทั้งนั้นเช่นตั้งร่างกายนี้ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอันนี้เป็นสมมุติแต่สิ่งที่ทำให้ร่างมีร่างกายมีร่างกายมนุษย์มีร่างกายสรรัตว์เป เป็นผู้มีร่างกายหญิงร่างกายชายสิ่งประกอบนี้มันเป็นปรมัิคือมันเป็นดินน้ำลมไฟร่างกายของพวกเราทุกคนนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายมาจากดินน้ำลมไฟนะอันนี้มันเป็นปรมัิหรือเป็นของที่เหมือนกันหมดทุกคนของอเพียงแต่ว่าพอมามีรูปร่างลักษณะต่างกันเราก็เลยให้สมมุติให้ชื่อต่างกันไปอันนี้เป็นสมมุติฉัน เราต้องให้เข้าถึงธรรมที่เป็นปานธรรมเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงไม่ทุกข์กับธรรมที่เป็นสมมุติเพราธรรมที่สมมุตินี้ทําให้เรายึดติด<ม>พอเราได้ร่างกายเราก็จะมาถือว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราหรือร่างกายของแฟนเราแล้วก็จะไปยึดติดว่าเป็นของเราร่างกายของลูกเราก็ไปยึดติดว่าเป็นของเรา<ม>แต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นการรวมตัวของดินน้ําลมไฟ ที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่มีวมการรวมตัวแล้วก็ต้องมีการแยกสลายไปเวลาร่างกายตายไปธาตุทั้งสี่ที่มีอยู่ในร่างกายก็แยกกันไปคนละทางน้ําก็ไปทางหนึ่งลมก็ไปทางหนึ่งไฟก็ไปทางหนึ่งที่เหลือก็เป็นดินไปคนตายถ้าเราไปทิ้งไว้เฉยๆในป่าช้าเนี่ยเดี๋ยวน้ำก็ต้องไหลออกมาความร้อนที่มีในร่างกายก็หายไปกิ่นที่ออกมาก็เป็นหลมธาตุลม หญงบนานนานมันก็แห้งแห้งแล้วก็ผุพังกลายเป็นดินไปส่วนที่เหลือก็กลายเป็นดินไปส่วนที่เป็นแข็งของแข็งก็เป็นดินไปส่วนที่เป็นน้ำก็ไหลออกไปส่วนที่เป็นลมก็ระเหยออกไปนี่คือปรมา์คือสิ่งที่ที่เป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาไม่ว่าจะยุคไหนสมัยใดไม่มีชื่อเขามีแค่เขามีแค่นี้มีแค่สี่อย่างรวมกัน แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัวรู้คือใจที่มาเป็นมาครอบครองร่างกายนี้ตัวนี้ก็เป็นธาตรู้ธาตรู้แล้วก็มาครอบครองร่างกายแล้วก็มาหลงยึดติด ก, กับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็มาทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราพอมันจากเราไปเราก็ทุกข์กัน <sl ok> เราจึงไม่อยากให้ร่างกายตายเพราะเราคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา แต่ความจริงมันเป็นดินน้ำมุมไฟที่มารวมกันแล้วเดี๋ยวมันต้องแยกจากกันเราถึงเรามาศึกษาปรมัดให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ทำมาจากดินน้ำล ม, มไฟแล้วก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรมีการรวมตัวแล้วเดี๋ยวก็มีการแยกตัวออกจากกันแม้แต่ต้นไม้ใบหญ้าก็เหมือนกันต้นไม้ใบหญ้ามันก็รวมตัวกันเป็นต้นต้นม้เป็นใบหญ้า ถ้าเดยวมันก็ตายมันก็แยกกลับไปเป็นดินแยกกลับไปทางน้ํากันไปนี่คือปรมาทธรรมที่เป็นปารมัาทก็คือดินน้ํำลมไฟธาตรู้นี่เป็นปารมัาทส่วนสมมุติก็คือเนี่ยเขาเราหญิงชายพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาบุตรธิดานายก ส, ส, สอสอเนี้สมมุติทั้งนั้นอะ แล้วไปติดป้ายไว้กับร่างกายนี้ร่างกายนี้เป็นสอสอร่างกายนี้เป็นกำนันร่างกายนี้เป็นนายกอันนี้เป็นสมมุติเดี๋ยวบางทีเขาก็ดึงป้ายออกทิ้งไปเปลี่ยนป้ายใหม่จากนายกก็ให้ไปเปลี่ยนเป็นคนธรรมดาประชาชนธรรมดานี่เรียกว่าสมมุติให้เข้าใจเพื่อเราจะได้ปล่อยวางทุกอย่าง ทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันเป็นดินน้ำนมไฟมันจะกลับไปสู่ดินน้ำนมไฟในที่สุดคำ ถ, ถามจากคุณนาทำสมาธิโดยการหลับตาแต่ไม่ได้บริกรรมใดๆเลยแค่หลับตาจิตสงบสบายหนูทำผิดหรือเปล่าคะถ้าจิตไม่คิดแล้วไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาให้ดูให้เห็นก็ใช้ได้ ถ้าเกิดมีอะไรมาปรากฏให้ด้วยหเห็นนี่ก็ควรที่จะมีอะไรหยุดมันอย่าปล่อยให้มันปรากฏขึ้นมามันเป็นภาพลวงภาพหลอกแล้วมันจะทําให้ใจเราไม่สงบถ้าใจเราสงบว่างไม่มีเห็นอะไรนี่ใช้ได้แต่ถ้ามีภาพมีกลิ่นมีเสียงมีอะไรปรากฏให้เรารับรู้นี่แสดงว่าเราไม่มีสติควบคุมใจแล้วเราก็ต้องเอาสติหยุดมันให้ได้ ให้มันเหลือแต่ความว่างอย่าไปตามรู้พอไปตามรู้เดี๋ยวมันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเป็นเหมือนดูหนังไปนั่งดูหนังไปแล้วก็จะหลงกับภาพที่เราไปดูไปคิดว่าเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาซึ่งมันแค่เป็นแค่ภาพมโนภาพที่เกิดขึ้นในใจเราเท่านั้นอาจจะเป็นภาพที่เป็นจริงก็ได้ภาพที่เกิดมาในอดีตก็เป็นได้ชาติก่อนอาจจะเลือก อาจจะระลึกถึงชาติก่อนได้ว่าเคยเป็นอะไรมาแต่นั่งแบบนี้มันไม่เป็นประโยชน์ถึงแม้จะระลึกชาติได้มันก็ไม่ได้ทำให้เราสามารถไปกําจัดกิเลสตัณหาไปตัดภพตัดชาติได้เราต้องนั่งแบบว่างแบบเป็นอุเบกขาใจเป็นกลางไม่มีความรักความชางังความกลัวความหลงถ้านั่งแบบนี้แล้วใจจะมีพลังต่อไปใจจะเฉยกับทุกอย่างได้เห็นอะไรก็จะเฉยได้ เห็นอะไรก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่เราเห็นคนด่าก็ไม่เดือดร้อนคนชมก็ไม่ได้ดีใจคนชมก็ไม่ได้รักคนชังก็คนคนด่าก็ไม่ชังเขาถ้าใจเป็นสมาธิใจเป็นกลางแล้วจะเฉยๆกับทุกอย่างแล้วก็จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติทางาศาสนาพุทธแต่การนั่งสมาธินี่มันมี ม, มีวิชาอย่างอื่นที่ สามารถเกิดขึ้นได้ก็เียก็เดรลฉานวิชาการลึกชาติได้มีตาทิพหูทิพอะไรพวกนี้วิชาเหล่านี้มันวิชาที่ไม่สามารถดับความทุกข์รุติการเวียนว่ายตายเกิดได้วิชาถึงสอนว่าอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปสนใจนั่งสมาธิเพื่อให้ใจเป็นอุบเบกขาให้สักแต่ว่ารู้ปสัสแจกความรักชังกลงัวหลงกรรมการตัวนี้ พ่าเวลาเราออกจากสมาธิเราจะได้ตัวนี้มาใช้กับเหตุการณ์ต่า ง, า ง, างเวลาใครด่าเราเราก็จะไม่ชังเขาเวลาใครก็ชมเราเราก็จะไม่รักเข า, เาเแล้วก็เฉยเฉยเราเราจะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยไม่มีความทุกข์ถ้ารักเราก็จะทุกข์เพราะสิ่งถ้าเรารักเราได้เกิดมันหายไปเราก็จะทุกข์แล้วถ้าชางังถ้ามันยังไม่ไปเราก็ทุกข์แล้วแต่ถ้าเราไม่มีรักไม่มีชงังขยด่าขนาดก็ปล่อยก็ด่าไป ก็เป็นลมปากกันนั่นเองใจก็จะเป็นเหมือนต้นเสาเนี่ยคุณลองไปด่ากับต้นเสาเนี่เลยด่ามันเดี๋ยวคุณก็เมื่อเดี๋ยวคุณก็เมื่อยนะคุณก็หยุดดานะ่าอย่างเงี้ยใช่ไหมเออทำใจให้เราเป็นเหมือนต้นเสาไม่มีปฏิกิริยากับทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัสทางตาหูจมกูกเน้นกายเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินนี่คือวิธีการดับความทุกข์วิธีที่ยุติการเวียนว่ายตายเกิด แต่ถ้าไปมีวิชาเป็นเหมาะเห็นงานละตเห็นงาอนาคตเดี๋ยวก็เป็นเอาเป็นเครื่องมือของกิเลสไปเอาไปทํามาหากินใช่โอ้ยเราดูดูหมอได้ทํานายทายทักได้เดี๋ยวคนก็มาหาเราเยอะแยะนั่งหลับตาแป๊บเดียวบอกเขานิดหน่อยเขาก็จ่ายเงินให้นะมันก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปที่เขาบอกดูกรรมดวง บางคนก็จริงบางคนก็ไม่จริงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านดูกรรมของเราได้รู้ว่าพวกเราในอดีตชาติทําอะไรมาตายไปแล้วนางคตของเราจะไปเกิดที่ไหนต่อท่านดูท่านดูได้คนที่ดูได้จําเป็นต้องมีศีลไหคะคือมันต้องมีสมาธนะิคนที่ยังมีสมาธิก็อย่างน้อยก็ต้องมีศีลแปดโดยทั่วไปนะยกเว้นคนที่ก็อาจจะเคยมีมาเล่าในอดีต แต่มันต้องมีศีลแปดถึงจะนั่งสมาธิได้ถึงจิตถึงจะสงบได้ <Okay. S 1> แต่ถ้าพวกที่มีรู้แล้วไม่มีศีลแปดจะแสดงพวกของปลอม น, นั่นแหะเพราะว่าไปเห็นคนที่เขาว่าเห็นแล้วก็กินเหล้าเล่น okay, ไพ่ตก่ตกยงทีนี้ก็ต้องมีศีลมีศีลแปลดขึ้นไปถึงจะนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้จริงๆพวกที่นั่งหลับนั่งหลับตามูบมิบเดียวเดียวเห็นนู่นก็เป็นพวกหลอกกัน ส่วนใหญ่จะเป็นของปลอมแล้วแล้วก็อย่าไปสนใจอ น, นาคตอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราไปรู้มันทําไมอ น, นาคตที่แน่ๆให้รู้กับไม่อยากจะรู้กันเพราะว่าต้องแก่เราเจ็บต้องตายก็ไม่อยากจะรู้กันของชัวร์ไม่ชอบชอบของปลอมกัของไม่แน่นอนชอบกันจะเจอคนนั้นจะได้คนนี้จะได้สิ่งนั้นจะได้มีสิ่งนี้ชอบอย่างนั้นกัน ก็เลยเป็นเครื่องมือให้ก็หลอกเราอะไรอย่างนี้น <c oughs> นะดูความจริงดีกว่าพระพุทธเจ้าบอกถ้าจะดูอนะาคตก็ดูว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้ก็พอนะมีอีกไหมอ่ะต่อคำถามจากคุณปูเป้การทำให้สติมีกำลังมีจีวิธีคะสี่สิบวิธีที่เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบ ใจจิตเาเราิอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่กับพุทโธก็เรียกพุทธานุสติอยู่กับธรรมโง่ก็ธรรมานุสติอยู่กับสังโคก็สังขานุสติอยู่กับความตายก็เรียกมรณานุสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่ากายกตาสติอยู่กับลมหายใจก็อานาปนสติถ้าอยู่กับร่างกายก็เรียกกายกตาสติมันมีหลายวิธี อยู่กับเมตตาก็ได้เจริญเมตตานี่ก็เป็นการเจริญสติอย่างหนี่งแล้วก็สวดสัพเพสัตตาอเวราหนตุอัปยาปชาหนตุอนิคาหนตุสวดไปเรื่อยๆสวดไปทั้งวันก็เหมือนกับพุทโธเรียกว่าเป็นการเจริญพรหมวิหารสีเจริญเมตตากรุณามมดิตาอุเบกขาอันนี้ก็เป็นวิธีสร้างสติเหมือนกันก พ, พิจารณานึกถึงซากศพก็ได้ มิศพมีอยู่สิทชนิดนี่ก็เป็นการเจริญเหมือนกันเจริญอสุภะก็เป็นการเจริญสติแต่เห็นสร้างสม้วจิตมันจะนิ่งมันจะสงบถ้าจิตที่ไม่กลัวนะถ้าจิตที่กลัวก็ดูไม่ได้ถ้าจิตที่กลัวแล้วเดี๋ยวหดหูใจไม่กล้าดูไม่กล้ามองเห็นกรรมาฐานบางชนิดนี้ไม่เหมาะกับคนบางชนิดไม่เหมาะกับเจริตของคนบางชนิดต้องดูจริตของเราว่า เราถูกกับอะไรราคาจริตนี่จะเหมาะกับพวกอสุภะเห็นแล่มจิตมันจะเย็ น, นจะสงบเห็นพวกพวกที่เป็นโมหจริตนี่ถ้าเห็นความตายแล้วอาจจะกลัวขึ้นมาเห็นก็ต้องลองดูเข้าถึงสอนของที่เป็นกลางใช้ได้กับทุกคนก็คือพุโทโธเนี่ยพุโทโธนี่เป็นพวกศรัทธาจริต ใครที่เชื่อพระพุทธเจ้าเขารู้พระพุทธเจ้าเนี่ย<ๆ>ก็จะชอบพุทธโธพุทธโธไปหรือพวกที่ดูลมหายใจหรือใช้ร่างกายดูร่างกายไปก็ได้อันนี้เป็นกลางๆไม่ไม่ใครๆก็ดูได้เ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายเราไปเรื่อยๆ อ, อย่าปล่อยให้ใจไปอยู่ที่อื่นให้อยู่กับร่างกายกําลังเดินก็ให้เดินไปกับร่างกาย กำลังยืนกำลังนั่งก็ให้ยืนให้นั่งไปกับร่างกายกำลังกินอาหารก็ให้กินอาหารไปกับร่างกายอย่าไปคิดอย่างอื่นอย่าไปทำอย่างอื่นอย่างนี้ก็จะทําให้ใจมีสติคำว่าสติก็คือใจไม่ลอยไปลอยมาใจอยู่กับที่ถ้าไม่มีสติใจก็จะลอยไปลอยมาเหมือนเรือที่ไม่มีสมอเรือไม่มีสมอมันก็จะไหลไปตามกระแสน้ํากระแสลมถ้าเรือมีท่อสมอมันก็จะไม่ไหล สติก็คือสมอของใจนี่เองเราต้องทอดสมอใจของเราจะได้นิ่งจะได้อยู่ในปัจจุบันแต่ตอนนี้ใจเราไม่อยู่ในปัจจุบันกันชอบไปอดีตชอบไปอนาคตชอบไปที่นู่นที่นี่ไม่ค่อยอยู่ที่นี่กันเท่าไหร่ไปที่นั่นที่นู่นกันชอบคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้กันเราก็เกิดความอยากเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาถ้าอยู่ปัจจุบันอยู่กับพุโทโธอยู่กับ ร่างกายนี้มันจะเฉยมันจะว่างมันจะเย็นจะสบายมีความสุขไม่มีความอยากไม่มีอารมณ์นั้นการฝึกสตินี่มีประโยชน์มากแล้วจะป้องกันไม่ให้เราเป็นคนบ้าอ่านแล้วยังนี่ค่ะอาว่ามาคำถามจากคุณสุภจิราโยมเคยทำสมาธิจิตสงบพอเป็นโพงอยู่ข้างในได้ยินเสียงข้างนอกแต่เบามาก แล้วนิ่งอยู่อย่างนั้นต่อมาเลิกนั่งสมาธิมานานเมื่อกลับไปนั่งสมาธิใหม่กลับไม่ได้เหมือนเดิมถ้าฝึกไม่หยุดจะมีโอกาสได้อารมณ์สมาธิตามที่เคยเป็นอีกไหมคะได้เพียงจะต้องฝึกให้ถูกวิธีก็คือหนึ่งเวลานั่งอย่าไปคิดถึงผลที่เคยได้ในอดีตอย่าไปอยากได้แสดงว่าใจมันคิดแล้วเราต้องการหยุดใจหยุดไม่้มันคิดเราต้องให้มันอยู่กับลมหายใจ ได้อยู่กับพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวอย่าไปสนใจถึงผลที่จะเกิดขึ้นอย่าไปคิดถึงผลที่เกิดขึ้นในอดีตให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วอยู่กับลมหายใจไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้คำถามจากคุณนะัทนั่งสมาธิประมาณ30นาทีจะเริ่มรู้สึกปวดขามากเราควรจะอดทนไม่ขยับหรือให้อดทนให้เห็นความไม่เที่ยงคะ มันจะพยายามอยู่กับคํา mm hmm. บริกรรมต่อไปถ้าใช้พุทโธก็ให hey, ้เกาะติด hmm. ก mm ับ hmm. พุทโธไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บของร่างกายถ้ามันจะไปคิดถึงความเจ็บก็ให้บริกรรมให้มันถี่ขึ้นก็ได้พุทโธพุทโธให้มันถี่ขึ้นเพื่อไม่ให้มันมีโอกาสที่จะไปคิดถึงความเจ็บถ้าอยู่กับพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวความเจ็บจะหายไปใจจะสงบแล้วก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บหรือถ้ามันไม่หายก็จะไม่เดือดร้อนกับมัน ตอนนี้เราเดือดร้อนเพราะเราอยากจะให้มันหายพออยากจะให้มันหายหรืออยากจะลุกมันก็เลยทำให้เรานั่งต่อไปไม่ได้แต่ถ้าเราพยายามบริกรรมต่อไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บเดี๋ยวบางทีมันสงบล้วนั่งต่อไปได้นานคะคถามจากคุณนิพนอยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องวิญญาณที่อยู่ในตัวเรามีกี่จําพวกและอะไรคือวิญญาณที่แท้จริงของเราครับ วิญญาณมีสองชนิดในในภาษาของพระวิญญาณที่เราใช้กับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่จะรับภาพเข้ามาได้ต้องมีตามีตาไว้รับภาพแล้วจากร่างกายจะมาที่ใจต้องมีวิญญาณเป็นผู้รับอีกที่หนึ่งเช่นพอตาลืมเห็นภาพปั๊บวิญญาณก็จะมารับภาพนั้นไปส่งให้ใจแล้วใจก็จะใช้สัญญา ดูว่าเป็นภาพอะไรเคยเห็นนภาพนี้มาก่อนเป็นใครเท่เห็นหน้าตาก็พยายามนึกถึงว่าหน้าตานี้เป็นใครก็เรียกว่าสัญญาถ้าถ้าจำได้ว่าเออคนนี้ชื่อนั่นชื่อนี้แล้วพอรู้ว่าเป็นใครก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาถ้าเป็นคนดีคนที่ดีกับเราเราก็จะเกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าไปเจอคนที่ไม่ดีกับเราเราก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมา อ เ, เกิดสุขเวทนาก็ เ, าเกิดความอยากขึ้นมาอยากให้เขาอยู่กับเราเป็นนาน า, น า, นานถ้าไปเจอทุกขเวทนาก็อยากจะให้เขาไปเร็วๆนี่ก็เกิดนี่คือกระบวนการของทํา ง, งานของใจเราโดยอาศัยตัวตัวเชื่อมคือวิญญาณอันนี้นเขาเรียกวิญญาณในขันห้ามีอยู่5ทางวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณ ท, ท, ทางจมูกลิ้นกายเนี่ยมีหทาง อันนี้เรียกว่าวิญญาณในขัน5ส่วนวิญญาณอีกตัวหนึ่งนี่คือวิญญาณที่เวลาร่างกายนี้ตายไปจิตที่มีทั้งขันห้ามีขันมีนมามขันเนี่ยมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายไอตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในใจที่เป็นตัวรู้เนี่ยอยู่รวมกันแล้วเวลาออกจากร่างไปเราก็เปลี่ยนชื่อมันจากเป็นใจให้มันเป็นเวนดวงวิญญาณไปเท่านั้นเอง เวลาใจไม่มีร่างกายแล้วก็เรียกว่าเป็น<ม>เป็นวิญญาณเหมือนกับผู้หญิงที่ไม่มีสามีเขาก็เรีย <c oughs> กว่านางสาวนพอมีสามีปักก็เรีย <c oughs> กว่านางอันนี<ๆ>้เป็นสมมุติเนี่ยเปลี่ยนชื่อแต่คนคนเดียวกันใจนี้ดวงเดียวกันเวลาไม่มีร่างกายแล้วก็เรียกว่าดวงวิญญาณเวลาที่มีร่างกายเราก็เรียกว่าใจแล้วในใจนี้ก็มีวิญญาณที่จะเชื่อมต่อกับตาหูจมูกลิ้นกาย อันนี้เป็นคนละคนละตัวกันอันนี้เรียกว่าวิญญาณในขันห้าวิญญาณในในขันสี่ในนามขันพอ<ะ>ใจนะคำถามจากคุณคูณถ้าฟังธรรมแล้วเข้าใจจะทำให้บรรลุธรรมได้ไหมคะก็ต้องนำไปปฏิบัติต่อเพราะการฟังธรรมนี่ก็เป็นเหมือนกับการที่เราไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนโรงเรียนถ้าเราอยากจะผ่าน เราก็ต้องไปสอบถ้าเราไม่สอบเราก็ยังไม่ผ่านเฉะนั้นการฟังนี่ยังไม่ยังเป็นการเรียนเฉยๆเราต้องไปปฏิบัติต้องไปทำข้อสอบข้อสอบของเราก็คือการหยุดความอยากต่างๆหยุดความอยากในรูปเสียงกินน่นรสเช่นฟังแล้วว่าวันนี้ว่าความอยากทำให้เราทุกข์อยากกับกาแฟก็จะทุกข์กับกาแฟอยู่เรื่อยๆวันไหนไม่มีกาแฟดื่มก็จะทุกข์ ถ้าไม่อยากจะทุกข์กับกาแฟาก็เลิกดื่มกาแฟาอย่าไประหยัดดื่มกาแฟาพอเราไม่ดื่มกาแฟาต่อไปมีกาแฟาไม่มีกาแฟาเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอันนี้คือถ้าอยากจะได้ผลจากการฟังเทศฟังธรรมต้องนำมาไปปฏิบัติเอ็มีแฟนแล้วทุกข์ก็อย่าไปมีอยู่คนเดียวดีกว่าอันนี้พอเราไม่มีแฟนได้อยู่คนเดียวได้ก็ไม่ทุกข์กับแฟนอีกต่อไป ถ้าทุกกับลูกเพราะอยากให้ลูกเป็นอย่างนี้ก็ต้องหยุดความอยากอยากไปอยากให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะไม่ทุกข์กับเขาต้องนำมาไปปฏิบัติถึงจะเกิดผลคำถามจากคุณเทมปุระฝึกสมาธิทุกๆุกเช้าแต่จิตไม่นิ่งถ้าเวลาเราเข้าได้เราจะรู้สึกแบบไหนคะอันนี้อธิบายยากเพราะว่าเมื่อกี้ฟังอยู่คงจะรู้ว่าเข้าไปแล้วมันก็จะเบาจะสบายจะเย็น เฉยจะไม่วุ่นวายเดือดร้อนกับสิ่งต่างๆฉะนั้นต้องพยายามเข้าไปพูดไปเท่าไหร่มันก็ไม่เหมือนกับของจริงสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นฉะนั้นวิธียาเข้าก็ต้องมีสติให้ใจรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงอย่างเดียวอย่าให้ใจคิดถึงเรื่องต่างๆให้เช่นให้อยู่กับพุทโธรู้อยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวหรืออยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวแล้วถ้าไม่คิดเดี๋ยวมันก็เข้าไปเอง นี่เป็นคำถามค่ะคำถามจากคุณกนกพรเมื่อก่อนคิดว่าเราคงไม่กล้าดูที่เขาผ่าตัดคนหรือศพมีวันหนึ่งดูในมือถือแล้วใจก็คิดว่าไม่กลัวและเคยดูหนังสือของหลวงตาทีแรกดูแล้วก็กลัวแต่ตอนนี้ดูแล้วไม่กลัวเรียกว่ามีสติพิจารณาใช่ไหมคะใช่จิตมีความสงบมีสติย่อมยังกิเลสความกลัวได้ ถ้าคนไม่มีสตินี่พอเห็นภาพที่น่ากลัวนี้นก็จะเกิดปฏิกิริยาความกลัวขึ้นม า, ถ, าถ้าฟังเทศน์ฟังธรรมบ่อยๆมันก็มีสติ ม, มีปัญญาเกิดขึ้นว่าเออมันก็เป็นร่างกายของเรานี่เองเนี่ยมันมีอยู่กับเราตลอดเวลาเราอยู่กับมันตลอดเวลาไม่เห็นกลัวมันเลยพอไปดูผ่าศพหน่อยเขาไปกลัวทำไมไม่ดูของเรานั่งเนี่ยเราอยู่กับมันตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยตับไตแท่งพุงเราไม่มีเลยโครงกระดูกเราไม่มีเลย มีอยู่ทั้งนั้นนะ่ะแต่พอไปดูของคนอื่นกลับกลัวแต่อยู่กับของเราไม่กลัวบ้าหรือเปล่าแต่พอฟังทำแล้วมันก็จะทำให้เราไม่กลัวไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกปวดแล้วใช่ไหมเป็นไงพอแล้วยังพอแล้วเนี่ยเหนื่อยแล้ววันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา